อาจารย์ครับกรบาบประวัติการครับผมเลี้ยงใส่หูฟังรอาจารย์ครับกร่าวประวัติการครับอาจารย์คุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์หูฟังอันใหม่ปะครับอาจารย์อันนี้ก็ก็เย่อใหม่ไม่ได้แต่หลายเดือนมาเปลี่ยนมาหลายเดือนแล้วอ๋อเอาอาจารย์ครับมาหนายเดือนมาหลเรื่อง อาจารย์ครับวันนี้เป็นจัดรายการครั้งที่ร้อยสิบสองแลครับอาจารย์ครับตัวเลขสวยเลยครับร้อยสิบสองวันนี้ครับอาจารย์วันนี้พิธีบัตรคนเยอะไหมครับผมประมาณสามร้อยสี่สิบเจ็ดเพราะว่าเป็นวันพระไอ้วันเช้าเป็นวันอาทิตย์วันเดียววันท้าีะเปวันนี้ในยุแยกเป็นสองวันเลย คราวที่แล้ววันพระต้อกมาที่ตรงกันก็เลยหกร้อยขึ้นไปห่ร้อยกว่าครับพอแยกกันก็เลยแบ่งคนละครึ่งอย่างพวกนี้อีกสามร้อยวันนี้อีกสามร้อยก็ดีก็ดีนะครับอาจารย์เดินสบายหน่อยนะครับอาจารย์ไม่แน่นเกินถอาเดินเยอะนั่งนั่งรถถ้าเป็นเสาที่วันพระก็นั่นั่งรถครับครับเพราะ่านตลอดสายมันเดินไม่ไหว ในธรรมดาดเลยเดินเดินรถพักเป็นช่วงๆได้เมื่ไรไม่ได้ใช่รถมันธรรมดาเดินไปสภานพอเมื่อยก็ขึ้นรถพอหายเมื่อยก็ลงมาเดินต่อครับอาจารย์พันหอมธาตุขันด้วยครับอาจารย์ครับช่วงนี้มีคนพูดถึงประาธาตุอะไรกันเยอะเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออคนเรากําลังใฝ่หาของที่เป็นมงคลกันอยู่ครับก็เลยจะขอปัญญาจากอาจารย์ครับว่าเออวันนี้ในทางพระพุทธศาสนา อ่าอะไรเป็นมงคลอะไรไม่ได้เป็นมงคลครับอาจารย์ครับกับความเมตตาครับคือความหมายของคําว่ามงคลในแปลว่าความสุขความเจริญของจิตใจไม่ใช่เป็นความสุขความเจริญของร่างกายหรือของโลกธรรมในลาภโยชน์และเสริญสุอันนี้ไม่ใช่มงคลในความความหมายของมงคลมงคลคือความสุขความเจรญของจิตใจ ก็คือการยกระดับจิตใจให้ขึ้นไปสูงดงังระดับจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพระจากภูมิไปเป็นพระอริยะป็นคนอันนี้คือความมุงคลความเจริญแลพอเจริญพอเจริญแล้วก็ความสุขก็เพมากขึ้นเป็นคารสุขของมเทพยิ่งยามากกว่าความสุขของมนุษย์ความสุขของ พรก็จะมากกว่าความสุขของเทพแะความสุขของบ้านญาตคนก็จะมากกว่าความสุขของพระในสุดท่านสุดสุดคืพรนิพพานในการหลุดพ้นจากความทุกข์สวายบาลมังสุขหรือบานามบาลมังสุขครับวิธีที่จะได้ความเจริญความมงคลความสุขความเจริญในจิตใจพระพุทธเจ้าประสงสดงไว้ในมงคลลสุข เมื่อการปฏิบัติทัานสามสิบแปดขั้นตอนด้วยกัน <Okay. S 1> ขั้นแรกก็คือเซวนาจารานาวันตานาจารเสวนาบูชาจักรพชนียานามเอตามังคลมุตมังอันนี้สามสามขั้นแรกขั้นหนึ่งให้ครบคนผ่านคือคนง้2สองให้ครบบรเดิตคือคนจลิญสามให้บูชาบุคคล ที่สมงคลต่อการดูช า, าการกระทำทั้งสานี้จะทําให้จิตใจสูงขึ้นดีขึ้นในความสุขมากไม่ว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตนะที่เป็นหนังเสรอมพระสูตรท่าทาพระสูตรด้วยมีรวมมงคลกระสุดไว้ใ น, ในนั้นโดยหาใครได้าาังสเสริมนี้ก่อนจะไปอ่านถ้าอยากจะได้ความเป็นมงคลที่แท้จริงก็ควต้องปฏิบัติ ศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาขอแต่เป็นศาสนาธรรมพระเจ้าสงสอนให้เราทำเพื่อให้เราปฏิบัติตามคําสอนด้วยหลักของอัตอตนานาทุตอนนั็นที่เรื่องของตนเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะเพิ่มได้ที่จะทําให้เราเจริญทางด้านจิตใจได้นอกจากการปฏิบัติทมหลักธําคําสอนของพระพุทธเจ้า การถ้าเราไปศึกษามงคลส่วนอยู่สามสิบแปดข้ออันนี้ถ้าจะสอนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเลยขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นที่สําคัญมากก็คือการครบคนถ้าเราครบคนฉลาดเขาก็จะทําให้เราฉลาดถ้าเราครบคนไม่ฉลาดเขาก็จะทําให้เราไม่ฉลาดนั่นเพื่อป้องกันไม่ให้เราโง่เราอยากไปคบคนที่โง่นอแต่คนที่ฉลาดเราไปโรงเรียนไปหาใคร เขาแหาคนที่ฉลาดกว่าเรานช่ไหมถ้าถ้าเราไม่ไปโรงเรียนเราก็จะไม่มีความรู้จากคนที่เขาฉลาดกวาเราสอนเราการที่ไปโรงเรียนนี่ก็ถือว่าทําตามมงคนลนะแต่การโรงเรียนที่เราไปนี้่ม่ไปโรงเรียนทําโลกก็ยกังถือว่าเป็นคนไม่ฉลาดอย่างดีโรงเรียนทางโลกนี่ครูอาจารย์ทํางโลกนี่ถึงแม้จะได้จบปริญญาด็อกเตอร์ปริญญาเอกด็อกเตอร์ญญาอรญญามา ทำๆว่าเธอว่ายังไม่ฉลาดเพระไม่ได้เลยวิชาทำธรรมไม่รู้ไม่รู้วิชาทำธรรมไมนรู้ผิดถูกมีเชื่อไม่รู้ว่บุญบาปนรกสวรรค์ไม่รู้มากผลนิพพานคนฉลาดที่แท้จริงบรเด็ตที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้เรื่องบาปุคุณโทษ ร, รู้เรื่องเมตตาเกิดรู้เรื่องรับผลนิพพานคนที่เป็นบรรด็ตที่แทจริงในศาสนานก็คือพระพุทธเจ้านะ พระอาารัตรสาวกเทว า, า, านิยมอันนี้แหละเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดที่เราควรเข้าหาเพราะเราเท่าเราพรหาแล้วเร า, า, ารก็จะได้แม้แต่ในรู้จักไป็นรู้วิธีที่จะยกระดับจิตใจของเราที่ตอนนี้เป็นมนุษย์ปุถุชนที่ยังติดอยู่ในวัฏฏ์สงสารในการเรียนไหว้ตา ย, ายให้เราได้ยกระดับจิตใจของเราให้สูง ข, ขึ้นไปตามระดับจนไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้น พ า, าะอรหระตสาวุึงขั้นปานิพาณเนี่ยมาไปลองาอ่านมงคลสาวิตริษัทเขาจะจะสอนเป็นเป็นขั้นขั้นไปเราจำไม่ได้แล้วนะแต่คนไทยเรามันชอบนิยมสวดกันนะเพราะที่วาการสวดให้เป็นความคามังสวดสวดล้วจะเป็นมงคลแต่ว่าจริงไม่เป็นมงคลนะเพราะไม่เข้าใจความหมายของบทที่เราสวด ข้อบอสวดจิงนี่เป็นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นกนอนเดียก็เลยใช้ภาษาอินเดียเราก็บรรทุกภาษาคําสอนพระเจ้าไว้ในภาษาอินเดียเพื่ออนุรักษ์อคําสอนไม่ให้เปลี่ยนแปลงแต่เราคนไทยเราไม่ได้พูดภาษาอินเดียเพรเาเราไม่อ่านภาษาอินเดียภาษาบาลีเราก็ไม่เข้าใจควา ม, มาณนี้เราก็เป็นเหมือนนกแก้ว เคยเห็นเม่นกแก้วในเวลาเราบอกแก้วจ๋าแก้วจ๋ามันก็ตอบคำที่เราพูดเช่ไหแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่เราไม่รู้ว่าแก้วเป็นอะไรหรอกพอหยิบแก้วให้มันมันเคลียรทิ้งเคลียรทิ้งพอหยิบกู้ให้มันมันคว้า ม, มากนะ <Okay. S 1> ่ะพวกเราเป็นเหมือนนกแก้วแต่เราสวดสวดมนต์ต่างๆแล้วคิดว่าจะจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ความฉลาดไม่เกิดได้อย่างมากก็คือได้สติได้สมาธิ การสวดถ้าเป็นสวดเป็นภาษาบานีอาจะไม่เข้าใจความหมายเมื่อไม่เข้าใจความหมายก็จะไม่เกิดปัญญาความรู้ความฉลาย่ยที่จะนํามาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเฉริ่เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราเราจึงบอกให้ญาญโญพิณลุงสือผัสสดต่งตางๆเป็นภาษาไทยอยา่าใช้ภาษาบาลี ถ้าใส่วันนะี่เดี๋ยวเระจ้าไปสวดกันเขาจะไม่อ่านเนีน่ยนให้ใส่ภาษาไทยอย่างเดียวจะได้มางคัาให้อ่านเพราะเป็นหนังสือธรรมะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยอ่านดูเล้มีห้าพระสูรมงคลพระสูรธรรมจักรธรรมวัฒน์นัตสูรอาทิตยะยักษ์อริยยักษ์สูรอนุตตะลัคณาสู ร, ร, ยยยส ร, ลสรแล้วก็สตินประฐานสูรเนี่ยอันนี้เป็น เน่ยครับคาสอนของพระเจ้ า, จาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเพื่อการหลอด้นเพื่อรับผลนี้มาอยู่ที่ห้าประเสริฐเนี่ยยิ่งถ้าเราอยากจะได้บงคลให้อ่านหนังสือธรรมะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องได้อย่างไรเมื่อเราได้อ่านแล้วเราก็จะได้ดําเนินชีวิตของเราตามคําสอน สาสิบแปดขับสอนข้อด้วยกันถ้าสามารถปฏิบัติตามทั้งสามสิบแปดข้อได้ก็จะไปถึงนิพพานได้ดมงกนวสึออันนี้หลัาเป็นมงวงกนวซึได้จริงส่วนวัตถุมงกนวซึต่างนี้เป็นวัตถุมันไม่เป็นมวงกนวซึเราวงนั้นเข้าไปเองว่ามงคลวัตถุมันจะมาเป็นมงคลได้อย่างไรแม้แต่พระธาตุก็ไม่ถือว่าเป็นวัตถุมงคนวซึ เพราะไม่ทํำไม่ทําให้จิตใจเราเจริญได้ทําได้อย่างเดียวก็คือให้เรามีศรัทธามั่นแน่วแน่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นจริงพระพุทธเจ้าพระรัตนสาวกนี่เป็นของจริงเพราะพระธาตุนี่แหละก็คือเนี่ยส่วนประกอบของร่างกายของท่านที่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาจากจากเป็นก้อดูกนี่กายเป็นพระธาตุขึ้นมาเมืเราจะได้ไม่ต้องระแวสงสัยว่าพระพุทธ พระพุทธเจ้าพระอริยสงสารวงไม่มีจริงหรือไม่มีจริงพระท่านเนี่ยเป็นผู้ยืนยันให้เราเราว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไม่ได้เป็นนิยายแต่งขึ้นมาการคำสอนพระเจ้าก็เป็นสวัสดิ์ค า, าตัวก็ตัวตาธรรมนุนเป็นธรรมที่ตัดไว้ถูกต้องกับความจริงทุกประการให้เราเชื่อได้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคําสอนพระพุทธเจ้ า, า, าแล้วนำไปปฏิบัติ แล้วเราก็จะได้รับผลอันเ่อนันประเสริฐอันนี้แหละคือความเป็นมงคลที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่พระมาตถุมงคลนี่เห็นมัมไปดูคนที่ตายอุบัติเหตุตายเนี่ยค่อยพรากันเต็มไปหมดนะครับอาจจะเป็นปัญหาค่อยหลายองค์เลยวันนั้นให้นลอยเถียนนะ ว, วันนี้เป็นหนาที่ของผม อันนี้เป็นหน้าที่ของท่านท่านต้องทำหน้าที่มีหลายองค์ก็เลยเอเกี่ยนกันทำหน้าที่ปกต้งองออกไม่จริงหรอกวัตถุเฉยๆมาห้อยคอเราแล้วมันจะทำให้เรายยอยู่ยืนได้ยังไงคนเราจะเป็นจะตายมันอยู่ที่เหตุปัจจัยอย่างอื่นเช่นอุบัติเหตุมันมาทำให้เร า, าตายได้แม้แต่พายางตายกันเลยอุบัติเหต ยังมีคนเอารถเอารถเส้นรถบ่ไยออกมาไปให้ให้หลวงพ่อคูณเจอให้เรื่องนี้หมดให้ท่านนั่งาราระถามว่ามึงขับเร็วเท่าไหร่ถ้าเวลาถนนมังมั่นาร้อยหกสิบผมกูกระโดดลงตั้งแต่แปดสิบแล้วเียผมไปถึงอาจารย์ครับบางคนครับอกว่าเขาค้อยผลักเป็นพุทธานุสติอย่างนี้ดีไหมครับอาจารย์ครับ มันไม่ได้เป็นจิตผู้ทานสติมันก็ต้องพุทโธไปทั้งวันทั้งมันเป็นการให้ความละให้ความอบอุ่นใจแล้ว่ามีพาะเอาห้อยคอแล้วมีไว้เพื่อป้องกันมากกว่ามีมว้เพื่อป้องกันภัยต่างๆไม่ได้มีไว้เพื่อถ้าผู้ทานนัสสติมันเป็นการเจริญสติมันจะเจริญสติก็ต้องพุทโธแต่ถ้าห้อยพระห้อยกูห้อยพระลูกพุทโธล้วเนี่ยต้องรีบพุทโธแล้วอย่างนั้นนแต่งจะเป็นผู้ทานนัสติ การน้อยคลายเฉยไม่ได้เป็นพุ้ธานุ้สติถ้าเป็นพุทธานุ้สติมันต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเลยอย่างหลวงตาท่านตอนที่สมาธทิท่านเสือ่อมท่านก็อาศัยพุทธานุ้สติท่านบอกมันพุโทโธไปทั้งวันเลยแต่ในที่สุดท่านกไไ็ได้สติกลับมาได้สมาธิกลับมาจากการมานิกรรพุโทโธทั้งวันเยอันนั้นถ้าไม่เป็นพุทธานุ้สติจริง ไม่ใช่ห้อยพระแล้วก็บรงณินเป็นพุท ธ, ธานุสติ ท, ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้คิดถึงพุทธะพุโทโธสักคำเดียวถามคนห้อพระโดนพุโทโธได้กี่คำวันวันหนึ่งครับอาจารั์ครับเรื่องหมวดเดียวกันครับเรืกงามยามดีนี้มีจริงไหมครับอาจารย์ครั บ, รบทงางศาสนาพุทก็คือมีแต่การนั้งสะดวกเช่น จะทำอะไรก็ต้องดูผล ฟ, ฟ้าอากาศถ้าเขาพยากรณ์ว่าจะมีพายุก็อย่าเพิ่งไปจ่ายยาในวันนั้นใช่ไหมรอให้วันที่มันไม่มีรายุแล้วค่อยมาจ่ายยาเพราะงั้นทางศาสนาพวเนี้เราถื อ, เ ล, อเลือกสะดวกเลือกที่ปลอดภัยเลือที่เป็นไปได้ง่ายได้สะดวกคือใช้หลักเหตุผลเนี่ยอย่างฝรั่งเขาเขาไม่เขาเขามีดูเรหน้าไหมเวลาที่เขาจะส่งจรวจขึ้นไป เอาอากาเขาดูดินฟ้าอากาศใช่ไหมเขาดูวันนี้จะมีพายุเข้ามาหรือเปล่าจะเขาดูทางหลักทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เหมือนกันเราทาอะไรทางโลกนี้เราก็ตาองใหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หลักสายาศ า, ยาสตร์าศาสตร์แล้วเรื่องของของความเชื่อไม่ใช่เรื่องของเรื่องความจริงครับผมแลอย่างหนึ่งอยู่ที่การกระทําด้วยเนีย เช่นนเล่าดีแต่การกระทําไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ไหมจะไปป้นธนาคารก็ไปตรวจเรล่าดูกันว่าวันไหนดีวันนี้เล่าวันนี้ดีถึงแม้ไปป้นธนาคารแล้วสำเร็จได้ได้เงินทองอันนี้ก็ไม่ดีเพราะมันเป็นการกระทํำอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่อยูที่เล่าอยู่ทีการกระทําอยู่ทีอาการกระทําดีหรืออาการกระทําชั่ว การกระทำเชื่อต่อให้เรื่องดียังไงก็อย่าทำครับอาจารย์ครับอาจารย์ชอบพูดว่างานงานที่คนเข้าใจว่าเป็นงานไม่มงคลอย่างเช่นงานศพเนี่ยเป็อาจารย์บอกว่าเป็นงานมงคลส่วนงานแต่งงานกลายเป็นงานไม่ค่อยมงคลไปเพราะเหตุผลอะไรครับอาจารย์ครับเพราะว่างานไปงานศพจะทําทให้เราได้เจานานริญมางานวันสตรีเราจะได้เห็นความตาย แต่องราวพระริญาไม่ไม่คิดถึงมันไม่ยอมมองมันกันเพราะเรากลัวความตายกันท่านก็มีความความเชื่อแบบมองงายว่าถ้าคิดถึงเรื่องตายแล้วมันจะเข้ามาหาเราทันทีเราจะตายทันทีอทันใดนั่นเลยม่กล้าที่จะคิดเรื่องเรื่องที่ที่น่าที่ที่น่ากลัวเช่นความตายแต่ท่านศาสนาพระุทธสอนให้เจมอมแล้วก็สติ เพราะถ้าเรานึกถึงความตายมันก็จะทําให้กิเลสตาามันทุ่นกมากิเลสตาหามันถ้าพอเราพอเรารู้ว่าเราจะตายแล้วเราจะจะไปหาหนู่หานี่มาทำไมให้เหนื่อยยากเปล่าหาม า, หาเหลือตายไปย่ อ, อไปไม่ได้พ <Yeah. S 1> ี่หากันหากันแบบไม่รู้จักหยิงจับพอเนีมีเสรษฐีอันดับหนึ่งของประเทไทยนีทรัพย์สินเท่าไหร่เลยหนึ่ง mm. จุดหนึ่งจุดเท่าไหร่ล้านล้านอ่ะ ก็ยังไม่พอเนี่ยเพราะเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะตายใช่ไหมครับถ้าเขาคิดว่าเขาจะตายเขาจะไปหาเงินเงินนี้มาทมําไมแล้วเมื่อเวลาเขาตายไปเขาเออกไป ไ, ไม่ได้แม้แต่บานเนี่ยแต่เขาคิดว่ายังจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเขาก็เลยหาต่อไปแต่ถ้าเราคิดถึงว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ได้เพราะการตายมันไม่มีอะไรแ น, น่นอนไม่มีใครกาหนด เราคิดอย่างนี้แล้วเราก็นึกจะสะสมทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองไปบ้างวันทำไมให้เหนื่อยปเปล่าๆทําล้วเสียเสียเรี่ยวเสียแรงไปทายไปเงาอะไรไปไม่ได้เลยซึ่งเรามาทำเราเอาทําในสิ่งที่เราไปได้ไปดีกว่านะซึ่งมับผลไม่ผ่านนี่น้องที่เราไปตั้ใจเราได้ถือว่าเป็นมงคลเพราะเป็นํานการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าสอนให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆลงถามว่าอนอนมานอนวันหนึ่งเธอเริเลิกถึงความตายสักกี่ครั้งนอนก็บอกสักสี่ห้าครั้งเช้ากับงวันเย็นก่อนนอนเป็นต้นพระุทธเจ้าบอกว่าเธอยังประมาทอยู่ยังน้อยเกินไปวิธีที่จะทําให้เธอไม่ประมาทถ้าเราเลิกลุกมาหายใจก็เป็นเวลาเธอหายใจเข้าก็ต้องคิดว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย เวลาหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้ามาก็ตายให้กินอย่างนี้ตลอดเลลวลาต้องรู้หายใจเข้าแล้วมันจะไม่เลยนเนี่ยนั่นคือเราชอบลืมความตายกันพอ เ, อเลืมอะไรไปหลงว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาเมื่อเราจะอยู่ไปนานๆเรานก็ต้องวิตกนิยามโยมผู้เหญิที่เขาอยากจะออกปฏิบททัติธรรมแต่เขาไม่ไม่ได้บวน ไม่ได้อยากไม่ได้ัวเพราะไม่มีบวชแต่พระเขาต้องพึ่งเงนเขาว่ามันนั่งคิดว่าเขาต้องคำนวณว่าจะต้องเก็บมันเก็บทองไม่เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวจาไม่พอใช้เวลาที่บวชแล้วโดยที่เขาไม่คิดว่าถ้าเขาอาจจะตายก่อนตั้งเวลาที่เขาคิดจะได้เขาอาจไปคิดว่าเขาจะอยู่ไปถึงวายุติเจ็ดสิบแปดสิบก็พยายามเก็บเงินไว้เพื่อให้ใช่ถึงตอนนั้นแต่ความจริงมันอาจจะตายตั้งแต่สี่สิบห้าสิบก็ได้นี่นะ เขาบอกว่าอย่าไปเราเอาความตายเข้ามาคิดเผื่อไว้บ้างถ้าถ้าเราอยากจะเป็นท่านโหวดจริงๆไม่ต้องกลัวเรื่อเงินเรื่องทองเพราะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายจะมีผู้มีจิตศรทัทธาที่จะ ส, สำนั่สนั่สนั่เนื้อบัรจัยสีให้กับเราอย่างแน่ น, นอนอ่างคุณแม่แก้วแม่ชีแก้วนี่ท่านก็ท่านก็เป็นแม่ชีท่านก็ไม่ต้องสะสมเงินทองอะไรท่านก็ถ้าก็ศึกษาปฏิบัติ จากหลวงปู่มั่นจากหลงตาหมาบุถ้าท่านก็ท่านก็บวชทีท่านอยู่เรื่ไปไม่ต้องกังวลหรอกถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้ามันรู้ทาได้ไม่ว่าจะเป็นหญิเงเป็นชา ย, ยาไม่ต้องโปวดตายมีผู้ที่เขาย็นดีที่ศาสนาสนับสนุนเป็นจนวนมากแล้วให้คิดถึงความตายไว้เราจะได้ไม่ไปวางแผนว่าโอ้ยเราจะอยู่ไปถึงแปดสิบเก้าสิบปี อาจจะต้องเตรียมเงินกเกษียณอายุไว้สัมปองไว้อะไต่างๆคิดอย่างนี้ถ้ามันบางทีมันเสียเวลามันจะมันจะเสียเวลากับการไปหาเงินมาเตรียมตัวไว้เพือที่จะได้ออกปฏิบัตินะเราที่ว่าเราจะตายพรงนี้วันนี้เม่ได้เรารีบปฏิบัติเพียแต่บันนี้ปฏิบัติให้มันบรรลุมักผลที่ผ่านเลยแล้วปัญห า, าต่างๆก็จะไม่ไี้ พะเจ้าก็ส่งสอนในสถานการณ์แล้วถ้าปฏิบัติจริงๆนี่ไม่เจ็ดเดือนไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนไม่เจ็ดปีพก็จาต้องบรรลุอย่างแน่นอนดังนี่แหละคือการเราเรียกเป็นความตายเปนมงคนส่วนงานที่เป็นมงคนลในการแต่งงานเนี่ยเป็นการเจ้าหากองไฟคนแต่งงานนี่กำลังเจ้าหากองทุกข์กันอยู่ด้วยกันก็ต้องทุกนะ ถารักกันมา ก, ก็ทุกข์พอหว่วงแบบนีท้ทั้งห่วงทั้งห่วงเวลาไม่เห็นหน้าเห็นตากันนี้ก็ม่ตอกว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าหรือนียสงสัยว่าถ้าแอบไปมีใครที่ไหนหรือเปล่ามันก็ทุกข์มาแล้วพอเห็นรูปขึ้นมาก็ต้องหมาทุกข์กับรูปงานแต่งงานนี้เป็นงานก็งานงานหาความทุกข์ไม่ใช่หาความสุขแล้วไม่ใช่ก็เลยก็ต้องพัดภาพจากกันในที่สุด เวลาถึงเวลาพลาาจากการก็เศร้าโศกเสียใจ ย, ยังไม่ได้เป็นงานมงคลงานแต่งงานนี่ถือว่าเป็นงานอับปางมงคลไม่ควจะจัดไม่ควรจ ะ, จ ม, รจะ ม, มีงานมันเกิดก็ไม่ควจะมีงานฉลองมันเกิดก็ไม่ควรจะมีควรจะมีวันฉลองวันไม่เกิดจะดีกว่าเพราะมันเกิดแล้วมันทุกข์เลยเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดาจากการ ถ้าไม่เกิดก็ไม่ก็จะไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายยิ่งถ้าเรามาฉลองวันไม่เกิดกันนีดหนะครับอย่ามองทางธรรน้องคนละมองคนละมุมกันครับผมวันนี้ก็จ่างนะครับขอบคอณพระคุณพระอาจารย์ครับผมจะนําไปพิจารณาปฏิบัติต่อไปนะครับอาจารย์ครับ วันนี้ขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างครับ อ, อาจารย์เฉลิมชัยครับแบบว่าการน้ำพระสการพระอาจารย์เวลาที่มีพระอาพาเช่นเป็นโรคมะเรง็งและผมในฐานะผู้รักษาแนะนําให้ท่านฉันสามมือ้อแบบนี้จะผิดหรือบาปตรงไหนไหมครับเป็นหมอเขาไม่ผิดหรอกหมอก็แนะนำไปตามวิชาชีพของหมอแต่พระถ้าทําตามหมอพระผิดเพราะพระ ถ, ถือศีลถ้าไม่ฉันหลังจากที่งวณะไปแล้ว การทานก็มีทางเลือกถ้าอยากจะรักษาตัวก็ราสิกขาไปก่อนแล้วก็ไปกินสามมืองตามที่หมอแนะนำํำพอหาจากโรคแล้วค่ลกลับมาบวดหม่ก็ได้อันนี้ท่านก็จะไม่ผิดศีลท่านไม่บาปแต่ถ้าท่านเป็นพระแล้วท่านไปกินชันสามมืองเนี่ยบาปนันจะทําให้วงคารองค์วงการสองเสื่อมเสียทําให้มีพระที่ไม่ปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในแล้วทาให้คนที่เข้าไม่ศรัทธานในพระพุทธศาสนา เสื่อมศรัทธาได้ถ้าจเจอแต่พระที่ปฏิบัติอปฏิบัติทุกสีไม่ปฏิบัติไม่สีไม่สะอาไม่บริสความจรัทธาที่อยากจะใส่บาตรหรือทำบุญกับท่านก็จะไม่มือเพราะฉะนั้นคุณหมอไม่เผ็นหรอกคุณหมอก็หนะ้ไปตามวิชาชีพของคุณหมอแต่พระนี้ต้องมาวิเคราะห์อยู่ว่าจะรักษาชีวิตหรือจะรักษาธารรมขุนเจ้าบอกให้รักให้สละ ให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมคุณธิติมาครับถ้าเรายังต้องทํางานอยู่กับคนที่คอยจะเอาเปรียบเราเราควรมีวิธีการปรับตัวหรือทําตัวอย่างไรดีครับถือว่าเป็นการทำงานลำธานไปแล้วแล้วกันถ้าอยากจะเอาเปรียบเราก็ให้เขาไปถ้าเราให้ได้อ่าให้เขาไปถ้าเราให้ไม่ได้เราก็ต้องแยกตัวอย่าไปอยู่กับเขาอย่าไปทำงานอย่าง คุณอ้อมครับกาเบนถามคำว่านิโรดนี่ใช่นิพานไหมครับคำว่านิโรดนี้แปลว่าการดับทุกนี่การดับทุกในการปฏิบัตินี้มันเป็นขั้นขัมันไม่ได้ขั้นแรกดับทุกขั้นท่านโสดาบัตนิโรดขั้นขั้นแรกแรก็คือโซดาบัตนิโรดขั้นที่สองก็สกุลดาคาขั้นที่สามก็อนาคาขั้นที่สี่ถึงจะเป็นท่าอาหาร ในร้อยขั้นที่สีเนี่ยจิตก็จะเป็นนิพพานเพราะว่าความทุกข์ที่มีในจิตมีหมดสิ้นไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นแต่ขั้นอื่นนี่ยังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่เรียกไม่เรียกคำว่านิโรจจะไม่ใช่เป็นคํำห ม, มายหมายคำว่านิพพานเพียงอย่างเดียวเป็นแปลว่าการสิ้นทุกข์เป็นการดับของความทุกข์หรือความทุกข์หายไปหายไปชั่วระดับของ ของของการปฏิบัติของขั้นของขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่อริอยอริยสัจสี่เราเมทุกขสมุทัยไมโรอดนะมีโโรอขั้นที่หนึ่งก็ือราั ก, ก, กรราญาติทิติได้พอรักษาญาติิติได้ความทุกข์ทิ่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ดับไปอันนี้เป็ความทุกข์อย่างอื่นที่ยัง ที่ยังต้องไปดับต่อไปคือความทุกที่เกิดจากการมาลาข้ามกับปฏิฆะมันเป็นชั้นขั้นไปคุณสุพิญญาครับการรู้สติรู้ตัวทั่วพร้อมการรู้ลมหายใจกับการสวดมนรรมต์ทำวัดเราควรยึดสิ่งไหนมากที่สุดเจ้าคะอ๋อคือก็การการมีสตินี่นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำ ในการมีสตินี่มีหลายวิธีมาทำด้วยกันคือเราต้องตามหลักของสติปัฏฐานถ้าถ้าสติปัฏฐานนท่านใ ห, นให้ให้เราดูมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายคืทุกปีรยามทของการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหรือจะทำอะไรก็ตาม ให้เรามีสติให้เรารู้อยู่กับการกระทำเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องอะไรเช่นอย่างรับประทานอาหารไม่จะไปคิดถึงงานที่เราจะไปทำทุนนี้หรือธุระที่เราจะต้องพบกับคนนั้นคนนี้ไม่ให้ไปให้อยู่กับการกระทำอย่างเดียวถ้าอยู่การรับประทานอาหารก็อยู่ที่การตักอาหารจานอาหารจัดจานอาอาหารเข้าปากเคี้ยวอาหารลอกเกนอาหาร ให้รู้อยู่ทุกขั้นตอนในการรับประทานเลยนี่คือ ก, การฝึกสติเพื่อให้ใจจดจ่อให้อยู่กับที่ไม่ให้ไม่ให้ลอยไปลอยมาตานาภาษาความที่ท่านนนี่คือวิธีการของแนวของสติปัฏฐานการเจริญสติก็ยังมีวิธีอื่นที่เราสามารถใช้ได้เช่นการนัเรลือกถึงพระพุทธเจ้าเช่นคาการบริกรรมคาว่าพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกัน สิ่งทา่ทำไมาเราต้องเจริญสติก่อนเพราะว่ามันเป็นขั้นแรกของการปฏิบัติที่จะพาให้เราไปสู่การปฏิบัติขั้นสมาธิและขั้นปัญญาตามลําดับต่อไปถ้าเราไม่มีสตินี่เราจะไม่สามารถไปปฏิบัติสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาได้ถ้าเราถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็จะไม่มีพลับกําลังที่จะไปใช้ปัญญานี้มาดับกิเลสดับความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้ มันถึงก็อาศัยสติเป็นเบื้องต้นครับเราต้องฝึกสติคอยควบ้าหมายของการฝึกสติก็เพื่อไม่ให้ใจลอยไปกับตามกระแสของความคิดในใจเรานี่มีกระแสความคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดแต่เรื่องนี้แค่นี้คิดไปเรื่องตัดตึงอะไรนี้ยคิดมาตลอดทั้งวันไม่เคยหยุดคิดเลยเราต้องพยายามหยุดคิดให้ได้คิดเทาที่จะเป็นถ้าเรายังต้องมีภารกิจที่เข้าใช้ความคิดในบาเรื่องก็ ช่วงที่ต้องใช้ก็คิด ก, ก็คิดได้แต่ช่วงไหนที่ไม่มีวามจะเป็น่็ต้องคิดอย่าปล่อยให้คิดใช้สติใช้การเจริญสติเช่นการบริกรรมพุโทโธพุโทโธหรือการเข้าจดจ่อ ด, ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกเรียนุในทุในทุกการกระทาของร่างกายอย่างนี้เรียกว่เาเป็นการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้เป็นภพภพและเป็นระยะระยะ เวลาเมาืนั่สมาธิใจเราก็จะยิ่งจะไม่คมลุ้งซ่าไม่ไปคิดกันงเรื่องราวคิดเรื่องราวต่างๆอีกคืจะสามารถรวนเข้าสู่ ป, ปัญนาสมาธิเข้าสู่ฌานไะด้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําส่วนส่วนการรู้ตัวทั่วพร้อมนี่เราไม่ชาบความหมายว่าทำกันยังไงเพราะเราเราไม่ได้ทำํำเราดูแต่ร่างกายดูว่าเราร่างกายกำลังทําอะไร โยธาเคลื่อนไหวของร่างกายําลังาน้ําหน้าแปลงผันก็อยู่การน้ําหน้าแปลงผันไม่ได้ไปอยู่เรื่องให้อยู่กับเรื่องเดียวเรื่องของร่างกายและเวลามานั่งจะใช้การก็ใช้ดูลมหายใจเข้าออกเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกโดยที่ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกเวลานลมเข้ามาสัมผัส เราก็จะรู้ว่าอตอนนี้ลมเข้าตอนนี้ลมออกก็นูกแค่นี้เองไม่ให้ใจไปคิดเรื่องเลยถ้าอยู่กับอยู่กับกรลมได้โดยที่ไม่ไปคิดเรื่องเย่ยเดี๋ยวใจก็มันสงบสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเข้าสู่อปัญาสมาธิเข้าสู่อบ เ, บเบกขาได้อันนี้แหละคือการปฏิบัติสติเพื่อให้ให้ได้สมาธิตามมันหลับต่อไป อาจารย์ครับผมเคยเห็นบางคําสอนที่ใช้เป็นหลักขังนะครับอาจารย์เหมือนของทิเบตรหรือของอพระอาจารย์ทางเวียดนามที่เขาใช้ตีหลักังแล้วให้เจริญสติเวลาได้ยินเสียงอย่างนี้ครับอย่างนี้พอใช้ได้ไหมครับอาจารย์เหมือนกลายเป็นกันเตือนให้เรากลับมาเองซึ่งวิดีของมุจเจ้าไม่ได้ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเอามุขเจ้าไปไปไปฟังคนอื่นทำไมเรามีจมมรารศดาสอนเราแล้วเราเอาไปฟังคนอื่นให้เสียเวลาเลย ถ้าเกิดกระดิ่งหายจะทำยไงถ้าเกิดกระดิกงหายไปจะทำะ ย, ยัำไงไงเข้ามหากระดิกมา <c oughs> ไปไหนก็ต้องพงกระดิกงไปด้วยนี่ <c oughs> ไงเป็นตลาดมีคนมาคอยเีกกรดิ่เตือนเรามันก็ยุ่งยากวุ่นวายไปหมดเลยการบริบาลมันต้องอดตายอตอนโนนนาถุตอนมันที่เพึ่งของตอนไม่พึ่งอะไ ร, ะ ไ, รไม่พึ่งใครเพึ่งตนเอง คุณมาลีบอกว่าแม่ชีที่ถือศีลสามร้อยี่สิบเอ็ดข้อสามารถมีสิทธิ์รับพัยดยศเท่ากับพระได้ไหมครับเรื่องพันยศจะเป็นเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินท่าอยากจะให้ใครท่ให้ได้แล้ววันจะเป็นใครเนยะมั้งคุณมาริสาครับเรื่องของตขอเล่นถามพระอาจารย์เรื่องของตัวเองเจ้าค่ะเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำและทําบุญทําทานกับสัตว์และนักบวชและคนทั่วไปตามสถานการณ์ และกำลังความสามารถของเราและถูกคนบางคนตำหนิหาข้อตำหนตติตีเตียนเราควรจะวางใจอย่างไรเจ้าคะวางใจเฉ ย, ยนเฉยเพระเจ้าสอนรว่าเราอยู่ในโลกที่เราต้องสัมรัสกับโลกธรรมที่มีทั้งสัตว์และแสงและมีนิทานเหมือนกับมีพระิีขึ้นภาธิตตกเป็นสิ่งที่เราไปห้ามไม่ได้พระที่เจ้าขึ้นแล้วก็ห้ามพระที่ขึ้นมาไม่ได้ เวลาพายที่จะตกแล้วก็ห้ามพายที่ตกไม่ได้เห็ไหมเวลาคนก็จะสาับสระเซาะเก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาก็จะนินทาเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ เ, เ, ร เ, เราสามารถห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ไปกับเขาได้ด้วยการฝึกสติควบคุมใจให้เรามีอยู่เบกขาให้นิ่งเฉยถ้าใจเรานิ่งเฉยแล้วใครจะว่าอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนก็ปล่อยเขาว่าไป ส่วนเรื่องผิดถูกอันนี้ก็ต้องมาพิจารณาตามความเป็นจริงถ้าเขาว่าเราผิดแล้วเราผิดจริงแลเราก็ควรจะกราบขอบคุณเขาเพราะเหมือนเป็นการชี้คุณชี้คุณทราบให้กับเราให้เราได้ปรับปรุ ง, งแก้ไขตัวเราที่ ท, ที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นอันนี้จะฟังด้วยเหตุด้วยผลให้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลถ้ามันไม่ไม่เป็นไปตามที่เขาพูดมันก็จะขาดจริงแค่เว่านัเขาเป็นคนโู่หนวกตาบ่อยเราล่นาะนะหรือตาลายมองไม่เห็นความจริง อันนี้เราก็ต้องให้อาภัยเขาไปทั้นนั้นเองไม่ต้องมีความรู้สึกกดเขากดแค่กด แ, ก อ, ดแอะไรเท่าเลยเาไปเรื่องของเขาเป็นสินของเขาที่กขาจะได้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับบอกว่าคนที่มีคู่ครองที่ผิดศีลข้อสามแสดงว่าตัวเขาเคยผิดข้อสามมาก่อนใช่ไหมครับก็มักจะมีมันเป็นนิสัยที่ติดตัวมาคนที่คอยทำอะไรนานนับมากจะ มื่อยากมันจะทําอย่างนั้นต่อในคนที่ถนัดมือขวาก็จะมาใช้มือขวาต่อคนที่ถนัดมือซ้ายก็จะใช้มือซ้ายต่อคนที่อคยถนัดเกี่ยวกับการทําบุญก็จะกลับมาทําบุญต่อคนที่ถนัดเกี่วกับการทําบาปก็จะกลับมาทําบาปต่อเพราะคนนี้มาเกิดนี่มาจากข้างบนกงมีมาจากข้างล่างด้วยดวงวิย ญ, ญาณที่ไปเฉวอยสุข บ, บนสวรรค์ก็เป็นพวกใจบุญ ดวงวิญญานที่ออกมาจากบาก็เป็นพวกใจบาปแล้วพอมาแล้วเกิดหน้าหน้ากายของมนุษย์แต่ใจมันไม่ได้เปลี่ยนไปใจมันว่าใจรุนไม่ยังใจบุญต่อไปใจบาปหรือว่าจะใจบาปต่อไปแต่เปลี่ยนได้คือคอยใจบุญมันจะเปลี่ยนเป็นใจบาปก็ได้บางทีไปคบคนที่หลอกให้เราไปทําบาปหรือว่าเป็นเป็นของดีแล้วมันจะเชื่อเขาองนี้ก็ไปทําบาปได้เช่นองค์คุลิมาเนี่ยถูกอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคน ก็จะได้บรรลุธรรมก็응ไปทำบาปได้แต่พอมาเจอพระเจ้าพระเจ้าบอกข้าผิดคนอย่าไปฆ่าคนอยาไปฆ่ากิเลสถึงจะเป็นถึงจะเป็นผูตประเสริฐได้มงคลิมาก็ไปกลับใจเปลี่ยนจะการฆ่าคนมาฆ่าฆ่ากิเลสทนไ่ได้บรรลุเป็นพระอาหันขึ้นแล้วยิ่งไม่ว่าเราจะเราจะเป็นคนใจบุญหรือใจบาปมาในเดชกาต ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าเราอยู่กับใครเนียอยู่กับคนฉลาดหรืออยู่กับคนง่กเนี่ยองค์คนรัศดรท่นถึงสอนให้ระวังการคบคนให้คบคนที่เขาฉลาดกว่าเราดีกว่าเราอย่าไปคบคนที่ท่างงอกกว่าเราเลวกว่าเราเพราะเขาจะสอนเราไปในทางที่เขารู้นีนถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนใจบาปมา ก, ก่อนไม่ได้มาเอ า, าเราต้องเป็นใจบาปไปตลอด ถ้าเราได้มาเจอคนฉลาดี๋ยวพระเจ้าเราก็อาจจะเปลีนเปลี่ยนจากการทำบาปมาทำมันรักษาสีแทนก็ได้เช่นเดียวกับคนที่ทําบาปคนที่ทำบุญถ้าไปเจอคนที่ใจบาปแล้วเขสามารถหลอกให้ทําทําตามที่เขาสอนได้ก็อาจจะไปทําตามที่เขาสอนก็ได้จะต้องการผูร้ถามว่า<น> ออพูดถามคำถามนี้เขาเหมือนกับว่าถามว่าตัวคนที่เคยที่ถูกคู่ครองไปผิดศีลนะครับคือหมายถึงว่ามันเป็นกรรมเพราะว่าเขาเคยทําผิดศีลมาในชาติก่อนหรือเปล่าครับเส้น ม, มันไม่น่าจะอันนี้อาจจะเป็นผลผลพลอยได้แต่ผลหลักก็คยชั่วผู้กระทาเองผู้กระทาเคยทําอะไรมาก็จะทําอย่างนั้นต่อแล้วตามกฎแห่งกรรมนั่นก็บอกว่าทําทอย่างใดก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาตัวเมื่อไปทําผิดศีล ก็อาจจะมาได้ภรรยาที่ไปทําผิดศีลต่ อ, อทีก็ได้อันนี้ก็อา จ, จะเป็นไปได้เหมือนกับฆ่าฆ่าอะไรแล้วก็ต้องกลับไปเกิดเป็นเป็ น, ปนสัตว์ชนิดทาลา้เขาถูกขขาฆ่าทีก็ได้เช่นฆ่าปลาอย่างนี้ตายไปก่า จ, จะไปเกิดเป็นปลาแล้วก็ให้ถูกขขาฆ่าก็ได้แต่ที่พูดถึงกรรมจริงๆคือการกระทําของตนมากกว่าอันนั้นเป็นวิ บ, บากนะตัวกระทําก็คือ ผู้กระทําผู้ใจของแต่ละคนทำอะไรไปแล้วมันจะฝังเป็นนิสยัยเป็นสัมนานต่อไปแล้วมันจะมันมันมาแก้ได้แต่มันยากในปัญยามปลูกในพยญญาปลูกฝังนิสัยดีไว้เพ่อแม่ก็พยายามปลูกฝังนิสัยดีให้กับลูกใช่ไหมไ ม, ไม่สอนให้ลูกทำบาปสอนให้ลูกทำแต่สิ่งที่ดี แต่ลูกเขาอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีฝังมาอยู่กับเขาก่อนก็นได้ซึ่งในตอนที่เขายังเป็นเด็กเข า, าอาจจไม่สามารถไปทําตามที่เขาต้องการอยากจะทำก็ได้เข า, าอาจจะทําตามที่พ่อแม่สองไปก่อนแพอ เ, เริ่มเติลเอลูกเติมก็สังเกตว่าเริ่มดื้อึป็นอย่างนี้เริ่มมีความคิดของกเน่งมากขึ้นมากขึ้นอันนั้นแหะกิเลสของตัวเองเริ่มออกมามากขึ้นมากขึ้น คุณมาริษาครับเวลาทําสมาธิมีความคิดฟุ้งซ่านตลอดห้ามไม่ได้เลยควรทําอย่างไรเจ้าค่ะอาจารย์ต้องฝึกสติก่อนเนี่ยฝึกสติให้มีนั่งตื่นก็คุมความคิดได้ในระดับหนึ่งก่อนแล้วเมื่อนั่งแล้วมันก็อยากคบคุมความคิดได้จะไม่ฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านก็ต้องแล้วแต่ว่าเราใช้วิธีนับสมาธิแบบไหนถ้านั่งดูแบงนี้มันก็ฟุ้งซ่านก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการสวมดมนต์ไปก่อนวันนี้ที่ไปเสวนไป การสวดมนต์ น, นี้ก็จะทําให้จิตที่ฟุ้งซ่านนี้่ระงับความฟุ้งซ่านได้แต่ไม่ได้จะทําให้จิตสงบเต็มที่หรือจะทำให้จิตหายฟุงฟ้งซ่านมาฟุ้งซ่านแล้วเรา ก, กลับมาดูลองต่อนึกพูดโทรต่อนั้นจิตถึงจะรวมถึงจะสงบเงี้ยเป็นสลากทีนะคุณอูดีแมนครับเรียนถามการสวดมนต์บทพระธรรมจักร ด้วยการเดินสวดเพื่อกันง่วงถือว่าไม่เป็นมงคลหรือไม่ค่ะหรือถือว่าไม่เหมาะสมสําหรับชาวพุทธในกรอบของพระพุทธศาสนาไหมครับคือถ้าเราสวดภายในใจได้ก็จะไม่ไม่มันมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเป็นการเจริญสติธรรมนัสสติให้ธรรมะค ร, รับสอนพระพุทธเจ้าเป็นตัวเจริญสติคือแต่นนว่าถ้าเราสวดออกเสียงนี่มันอาจจะถ้ามองในสายตาของผู้อนก็อาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสม วาการส่วดมนต์นี้เขาจะนิยมนั่งอยู น, นยาบทที่ซ้ำหรือว่าที่ทารกหรือนั่งสวดแตถ้าเรามองถึงว่าเป็นการปฏิบัติบูชาก็ถือว่าสามารถทําได้ในการจเจริสติด้วยการใช้บทสวดมนต์เป็นตัวคอยควบคุมระนับความคิดตรงต่างๆควรจะทําแบบที่ไม่มีน ใ, นใครเขารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในใจของเราจะดีกว่า ถ้าสวดวนไปเสียงดังอาจจะไปรบกวนชาวบ้านเขาก็ได้ไ น, น, นี่ในสำนักปฏิบัตินี่ครับเรื่องการส่งเสียงนี่จะต้องมีกาม ร, ระมัดระวังมากไม่ให้เสียงนี้ไปกระทบกับผู้ในรบกวนทุ่นที่ทู่มที่เขาต้องการความังบถ้าอยากจะเดินเดินสวดวนก็เดินสวดได้แต่ให้สวดไปภายในใจจะดีกว่า อาจารย์ครับอย่างนี้ตอนพระอาจารย์อยู่ที่วัดป่าบ้านตานี้มีเสียงคุยกันบ้างไหมครับได้คุยกันบ้างไหมครับอาจารย์ไม่มีละเราไปกินข้าวหางไก่แล้วลลหลวงตาท่านก็ร้อยด่ตรวจสอบดู ว, ว่ า, ามนภาพมาสูงสิงกันหรือเปล่าถ้ามีแผ่นภาพสูงสิงท่านก็จะเตือนถ้าเห็นทำซ้ำซาท่านก็จะเชิญออกจากวัดไปครับเพราะท่านบอกว่าวัดนี้เป็นที่ภาวนาไม่ใช่เป็นที่บากบมาสามบกัน คุณสุกตาครับเราจะดูยังไงคะว่าถ้าเราทำตามกิเลสไหมเช่นหนูมีอาการเจ็บป่วยจะมีสองความเห็นเถียงกันตลอดว่าจะไปหาหมอดีไหมอีกความเห็นก็บอกเจ็บแค่นี้ไม่ต้องไปหรอกใจก็อยากหายไปหาหมออีกใจก็กลัวตะตกลัวทําตามกิเลสขาคําแนะนําครับก็ถ้าเราหนึ่งทำมากเราก็จะไม่ค่อยกลัวตายไม่คับยกลัวเจ็บเราก็จะปล่อยให้ร่างตายมันรักษาเขามันไป ถ้าคิดว่าเป็นโรคที่บัญหายเองง่ายเราก็ไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่ถ้าเป็นโรคที่เราคิดว่าจะต้องรักษาต้องมีหมอมียาอันนี้ก็ต้องไปขึ้นอยู่เราเป็นโรคชนิดนใดโรคชนิดที่ต้องรักษาก็ต้องไปรักษาถ้าเราถ้าเราต้องการรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปครูบาอาจารย์มันคืท่านรักษาร่างกายนี้ไม่ใช่เพื่อตัวท่านท่าเห็นว่าเป็นเครื่องมือในการเอามาสังเคราะห์โรคมา มันสแสดงธรรก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเมืแบบแบบ่อน้ำตาลหยดไขได้ป่วยที่มันไม่หายเองอันนี้ก็ต้องไปหาหมครัอก็จะได้ให้รักษาให้หายก็จะได้มาทําหน้าที่ต่อแถ้าท่านไม่ไม่แคร์ไม่สนใจว่าจะหายหรือไม่หายท่านก็ปล่อยไปท่านก็ไม่ไปรักษาก็มีที่วิชาอาจารย์บนำลูกท่านก็ไม่ไปไปโรงพยาบาลไม่ไปหาหให้การรักษาที่วัดไปตามมาตรฐานอาจจะทิ่ อินยาสมุนไพรอะไรต่างๆไปตามตามแบบโบราณอยู่ได้ก็อยู่หรือไม่ได้ก็ตายท่านก็คิดอย่างนี้เพราะในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีใช่ไหมคุณพีโก้ครับจิตคิดตลอดเวลาควรจัด ก, การอย่างไรให้อยู่กับชีวิตประจำวันและการทำงานครับก็เนี่แหละเก็ต้องฝึกเสงไง เมื่อตาเกิ่มมาก็พอเรื่อเชื่อคิดก็ใช้พูดโธหยุดไปเลยต้องพุทโธพุทโธแทนที่จะปล่อยให้มันคิดแล้วก็ต้องพุทโธพุทโธแทนเอาไปถ้าเราพุทโธอย่างต่อเ น, นื่องอยู่ความคิดมันก็จะหยุดไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับถ้าเราได้รับความทุกข์ถือว่าได้ชดใช้กรรมไปแล้วแล้วคนที่ทําให้เราทุกข์เขาจะต้องโดนชดใช้กรรมที่ทํากับเราไหมคะมือ หรือว่าถือว่าจบกันไปครับอันนี้ก็มั น, ม, นมันแล้วแต่มไ ม, ไม่ไม่รู้ทีเขาทำเราแล้วก็วยังอาจจะกลับมาทำเราอีกก็ได้มันมีเหตุปัจจัยที่อาจจะทำให้เขาต้องกลับมาทำเราอีกเขาก็ยังไม่พอใจเราส่วนเขาจะไปได้รับบทกรรมของเขาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาไปมันจะเป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะต้องมาทาบุญ สิ่งที่เราต้องการกังวลก็คือการกระทำของเราว่าเราอยากไปสร้างความทุกให้กับพู้่นกันแล้วว่าเราไม่ไปสร้างความทุกขให้กับผู้่ความทุกข์มันจะไม่กลับมาหาเราคุณอนัตตาครับขอความเมตตาอธิบายให้ผมกระจ่างแจ้งด้วยครับว่าถ้าคนที่จะตายเคยปฏิบัติธรรมมาบ้างแต่ยังมีอวิชชาอยู่จะวางจิตอย่างไรที่ไม่ต้องมาเกิดอีกครับ เอถ้ายังไม่บรรลุถึงนิพพานก็ต้องกลับมาเกิดทุกคนนยังต้องปฏิบัติให้ถึงพนนันิพาณกพันแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดเห็นโนบุตชาผ้าอัตสาวตรนี้ถ้าไม่กลับมาเกิดนอกั้นพาริยะ ข, ข, ขั้นที่หนึ่งสองสามยังต้องกลับมาเกิดไปอีกเพราะโสดาบานก็จะกลับมาเกิดในในการมาพบในโลกของมนุไม่เกิดเจ็ดครั้ง พระสกิณานาคาเราจะกลับมาเกิดเียครั้งเดียวในโลกของมนุษย์ส่วนพระ อ, อนาคาเมนี้ไม่กลับมาเกิดในโลกของมนุษย์แล้วแต่ไปเกิดในโลกของผงแล้วก็จะแล้วก็จะไปเป็นรูปอนิพานํมาดับต่อไปคุณวา น, นีครับเรียนถามพระอาจารย์ว่าพลังงานลบหรือกิเลส ต, ต่างๆที่ฝังตัวอยู่ในเซลล์ ดี a อเอที่อยู่สืบเนื่อง14ชั่วคนนั้นการฝึกแบบวิถีพุทธานุสติสามารถช่วยให้จิตละวางกิเลสหรือสิ่งยึดเหนี่ยวยึดติดจิตใจเราได้หรือไม่อย่างไรเจ้าคะกออิเลสไม่ได้อยู่ในดี a อหรอกมันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันอยู่ในใจแลวมันไม่ได้มันไม่ได้ต่อมาจากปีดารดาปุญญาตายายจิตนี้มาเกิดมันได้ร่างกายที่ได้จากครอบครัว ตัวกิเลสตัวจิตนี่มันไม่มันมันอยู่ในจิตตัวกิเลสมันอยู่ในจิตมันไม่เกี่ยวกับร่างกา ย, เ, ยเพราะฉะนั้นมันจะละวานกิเลสได้ก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาแลนั่นคุณอัชลาครับกาับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะในยุคนี้พ่อบางคนที่หื่นก่ม ข, ขืนลูกแท้ๆหรือแม่บางคนที่บังคับลูกไปทำแท้งเพราะท้องก่อนแต่ง พ่อแม่แบบนี้ยังถือว่าเป็นพระ อ, อรหันต์หรือไม่เจ้าคะก็ต้องแยกส่วนนะว่าการให้กําเนิดนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นพระคุณอย่างยิ่งของพ่อแม่ถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ที่ใจร้ายเราก็ต้องมาแยกส่วนว่าส่วนที่เขามีเป็นเป็นพระคุณก็มีอยู่ส่วนที่เป็นเป็นโทษก็มีอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะโหดร้ายท า, ยารุณยังไงเขาก็ยังเป็นพ่อแม่ ใีส่วนนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้แพราะันหมดทีเราต้องแยกส่วนคุณดวงพรครับช่วงนี้นั่งสมาธิภาวนาพุทโธไม่มีสติเลยเจ้าค่ะมีแต่กังวลใจเนื่องจากเพิ่งสูญเสียสามีไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะเขาต้องพุทโธไปทั้งวันพุทโธแค่สองสามนาทีแล้วหยุดไม่ทอหรอกเขาอยากจะหยุดความคิด ความกังวลอะไรต่างๆให้พุโทโธไปทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับอ น, นั่นถึงจะได้ผล ด, ดีถ้าพุโทโธแค่สองสามนาทียังไม่ได้ประโยชน์เลยต้องพุโทโธไปจนกว่าจะหยุดกังวลถึงจะหยุดได้ถ้ายังกังวลอยู่ก็ต้องพุโทโธต่อไปคุณวีนาครับมงคลกับสิ่งดีต่างกันอย่างไรคะการทําสิ่งดีถือเป็นมงคลใช่ไหมครับ คืมอมงคลแบลว่าความสุบความเจริของจิตใจส่วนดีที่มันอยู่ที่เราชอบหรือไม่ชอบคนที่ชอบเรื่องการบันเทิงก็เรียกว่าการบันเทิงก็ดีคนที่ชอบจิสุราก็ว่าสุรานดีอันนี้มันอยู่ที่เรื่องของของความชอบไม่ชอบคําว่าดีนี่มันเป็นคําสมมุติที่เราแล้วแต่ว่าเราจะแปลความหมายมันมีหลายความหมายด้วยกัน อันนี้ก็ไม่สามารถที่จะแปลคําว่าดีว่ามันมีลักษณะอย่างไรบ้างเพราะว่าคนที่เขาว่าดีคนนี้ก็ว่าไม่ดีก็ได้เนีช่นทางโลกเขาว่าเปิดบ่อนคาสิโนโดีจะได้มีมีรายได้เก็บภาษสองภาษีทางศาสนาบอกว่ามันไม่ดีมันเป็นอวายวุฒ ม, มันจะนําไปสู่การกระทําบาปอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ที่แปลความหมายของคําว่าดีว่า ปลาจาบมุมไหนไปลาจาบมุมทางโลกมันก็จะขัดกับการที่ปลาจาบมุมมุมทางธรรมเพราะทางธรรมทางโลกมันจะขัดกัน ค, คุณวร ว, ว, ล, วลีวันครับการเดินถามพระถีมา้าบินธบาตได้ไหมครับอันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยพว่าเราไม่ได้เลคนบัญญัติขึ้นมารู้แต่ว่า มันน่าจะโอเคนะเพราะตอนนี้เราก็นั่งนั่งบินตาบัดนั่ง้นได้มันก็มนไม่ต่างกันนย่างไรก็รถขี่มามแล้วเราตัวรถเองก็นั่งรถเลย ไ, ไม่มีข้อห้ามมันหยัดไว้นะครับอาจารย์ใช่ไหมอ่าประเดนอยู่ที่ความเหมาะสมมากกว่าเรามีความจําเป็นก็ต้องนั่งถ้านขี่มา้าเฉพาะท่านอยู่ในอยู่ที่ปากเขาเวลาจะเดินไปบินตาบัดนี่มันลาบากเราอาศัยขี่ม้าไปจนเวลาถึงที่บินตาบัดแล้วท่าคนคงจะไม่ขี่บินตาบัดเนาะ ทากมยนินบิตะแม้แต่พระสาบไพเรือบินตะบะก็มีใช่ไหมถูบ้านที่ที่เป็นอยู่ท่างลำทางข้างแม่น้ำนี่ก็มีพระทงานภ็ายเรือไปบินตะบะได้ก็คิดว่าไม่ผิดกับทา่ทานทำโดยโดยที่ที่เหมาะกับการรับเทสา คุณมาริสาครับถ้าเป็นคนที่เซนซิทีฟมีอะไรมากระทบจิตใจนิดหน่อยก็นำมาคิดมากกลางๆที่ไม่คิดก็ไม่ทุกข์รู้อยู่แต่บางครั้งก็ทำได้ยากขอทริคจากพระอาจารย์ในการจัดการกับปัญหานี้ครับก็ขาดสติเนี่มาจิตไม่มีสติจิตจะไม่ค่อยมีอยู่เบิขาไม่สามารถวางเฉยกับเรื่องราวต่างๆได้พออะไรมากระทบนี่ก็จะเกิดปฏิกิริยาทันที ในพยายามฝึกสมาธินั่งสมาธิให้มากๆบ่อยๆแล้วจิตจะเริ่มมีความความเชื่องช้ามีความความวางเฉยได้มากขึ้นมากแล้วต่อไปเวลา ม, มีอะไรกระทบก็จะเฉื่อยได้คุณธนวัลคะตอนแรกที่เริ่มหันเข้าธรรมะเนื่องจากตนเองพบเจอกับความทุกข์และได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์มาเรื่อยๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วนะตอนนี้เข้าใจว่าต้องเพียรปฏิบัติ ก็อยากสารับมือกับความเจ็บความตายและการพัดพรากจากสิ่งที่รักรวมทั้งเวลาเจอกับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นใจจะได้ไม่ทุกข์มากถ้าคิดแบบนี้พอจะมาถูกทางไหมเจ้าคะถูกแล้วตอนนี้เราศึกษามาพอแล้วขั้นต่อไปแล้วเราควรจะปฏิบัติปฏิบัติสติสมาธิเพื่อจิตใจเราสงบให้เรามีอุเบกขาว่าเราจะได้วางเฉยได้เวลาที่เจอกับความเจ็บความตายและการพัดพรากหนักกัน คุณมาริสาครับคนเราเกิดและตายมาหลายแสนพบชาติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตก็ผจญมานับพบนับชาติที่เรากลัวเพราะเราลืมใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์แล้วว่ามันลืมก็ไม่ใช่หรอกมันมันเป็นเรื่องของความอยากตัวที่สร้างปัญหาขึ้นมาก็คือความอยากต่างๆของเานี้อยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาถ้าเราตัดความอยากได้ปัญหาต่างๆนก็หมดไป ถ้าเราตัดความอยากได้ขนาดอาจารย์นมไปคุณเที่ยวไปเรื่อยครับการสร้างบ้านหลังใหญ่ๆตโตๆโมีรถหรูราคาแพงมีภรรยาสาวสวยแบบนี้ถือว่าเป็นการหาความสุขกับรูปรถกลิ่นเสียงใช่ไหมครับอาจารย์และสิ่งเหล่านี้ถือเป็นโลกิยะสุขใช่ไหมครับถูกต้องเป็นโลกธรรมนตำเงินแสงระแสงสวย ราบหลวงตาค่ะวันนี้หนูเปลี่ยนดอกไม้หน้าพร ะ, ะแล้วมีมุทิตายังไงหรือเปล่าครับเขาได้บุญนะีทําได้ไ ด, ได้ได้มีการทำอวิสมูชาต่อพระพุทธเจ้าเป็นการกระทนที่เป็นบุญเป็นคุณสมยัตินลยคุณปุ้ยครับวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องการเดินจงกรมทำไมเวลานั่งสมาธิจะรู้สึกสงบ แต่เวลาเดินจงกรมรู้สึกต่างกันเลยไม่ได้แผ่เมตตาเวลาเดินจงกรมเพราะเหมือนมีแต่เราที่ได้ประโยชน์ต่างจากนั่งสมาธิครับเดินเดินจงกรมจะไม่สงบเท่ากับการนั่งสมาธิแต่สาเหตุที่ต้องเดินก็นคือเวลาปฏิบัติแบบเป็นเ ต, ต็มรูปแบบนี้เราจะไม่สามารถนั่งสมาธิไปได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะร่างกายเขาต้องมีการเคลื่อนไหวเป็นการปเปลีนในระยะเว เวลานั่งสมาธินานๆนะรู้สึกร่างกายเริ่มเจ็บทั้งนั้นปวดทั้งนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนระยาบวจากการนั่งนอนแทนนะครับแต่เป้าหมายหลักก็คือต้องการนั่งความสงบเราจะได้ก็เกิดจากการนั่ ง, งรับปกะทานได้แต่เมื่อเราไม่สามารถนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดินว่าการเดินเร า, าก็ยังจะริยนสติต่อไปแต่จะได้ผลคือความสงบไม่เท่ากับการนั่ง สวยการแผ่เมตตาใช่ไหมคุณกียบอกทานื่อวาแผ่เมตตาครับคำแผ่เมตตาที่เป็นคำเข้าใจผิดนะการแผ่เมตตานี้หมายถึงการที่เราแสดงความมีความมาต่นจจิตต่อผู้อันนี้เราต้องแผ่ตอนที่เราพบปะก่อนเจอใครก็ยกมือไหว้หรือทักทายก็ยิ้มให้เขาอย่างนี้เรียว่าแผ่เมตตาแต่เวลาที่เราแผ่เราเน้น นั่งสมาธิเสร็จแล้วเราคิดในใจว่าขอแผนเมตตาคนั้งวันนมันไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาเป็นการคิดไปเฉยๆได้นี้อาจจะห ม, มายถึงอุทิศบุญเนาะเพราะที่ว่าการการนั่งสมาธิเร า, เราได้บุญแล้วเมื่อเราได้บุญนั้นเราก็จะอุทิศบุญนี่ถ้าเราไม่ได้บุญมันก็ไม่มันก็ไม่อยากจะอุทิศบุญอันนี้ก็ถูกเพราบุญนี้ก็คือความศรัทที่เกิดจากการทาทาน หรการนั่งสมาธิกรไดานและส่วนใหญ่ของคนทั่วไปนี้จะนิยมใช้การอุทิศบุญด้วยการทำทานมากกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าก็เวลานั่งสมาธินี้ไม่ได้มาระ ว, วังาจะจะสงบทุกครั้งไปคุณสยามครับ ขอถามเรื่องขันห้าครับตอนที่เราเสียชีวิตขันใดยังเหลืออยู่ขันใดที่ดับศูนย์ถ้าดับศูนย์ทั้งหมดสิ่งใดนำไปเกิดใหม่ครับดับไปขันเดียวก็คือรูปประขันคือร่างกายส่วนนำมะขันคือเมตนาสัญญาสังขารปัญญานี้ไม่ได้ดับมันอยู่ในใจมันไปกับใจมันเป็นส่วนประกอบของใจมันเป็นเครื่องมือของใจก็ได้อันนี้ไม่ดับ อันนี้ก็ไปไปหาร่างกายใหม่แล้วก็จะได้ขันห้ามครบชุดใหม่อีกทีเวลาไปเกิดได้ร่างกายหแล้วก็ทําตามความอยากต่อไปครับคุณกนกวันครับถ้าเราทําบุญรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ยังติดในสุขอยู่ควรทําใจอย่างไรคะและบางครั้งก็ติดการทําบุญจนโดนว่าว่าบ้าบุญควรวางจิตอย่างไรคะ คือการทำบุญรักษาสีลและเจริญรสนาคก็เป็นการสร้างความสุขในรูปแบบที่ตางจากความสุขที่เราได้จากการเสพเมื่อเศรษฐกิจลดถดาัาก็ขอให้เราทาใจทาความเข้าใจว่าเรากาลังหาหาหาความสุขแบบใหม่กันความสุขแบบเก่านี้มันมีปัญหามันทำให้เราทุกข์ได้เวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาได้เราก็เลยอยากจะเปรียน เป็นวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปสีเกียรตลดมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยการทําบุญทำานรักษาศีลและภานาอนี้คือสิ่งที่เราก็เข้าใจว่าถ้ายังติดกับอยู่กับความสุขแบบเก่าอยู่ยึดติดกัการหาความสุขจากรูปสีเกียรตลดอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาหาความสุขแบบใหม่ถ้าเาอยากจะได้ความสุขแบบใหม่แล้วเราต้องพยายามลดแล้ะเลิกหาความสุขแบบเก่า เราเอาเวลาที่หาความสุขแบบเก่านี้มาให้กับการหาความสุขแบบใหม่ต่อไปส่วนเรื่องก็เจอเจอคนว่าอย่างนั้นบ้างนี้ก็ห้ามเขาไม่ได้เป็นเรื่องของเขาคิดไปเองของเขาเองเวลาเราทำอะไรมากไปกว่าเขาหน่อเขาก็ว่าเราเราบ้าร่างอย่างนั้นบ้าง ก, ก็ไม่เป็นไรเพราะการทําบุญนี้ทํามากเท่าไหร่ยิ่งทำมากยิ่งดียิ่งได้บุญมากไม่เสียหาย อย่างนั้นไม่ต้องไปกังวเก่าการี่ว่าของคุณคุณเที่ยวไปเรื่อยครับเห็นพระอาจารย์พยายามเตือนลูกศิษย์ในกลุ่มซูมอยู่บ่อยๆว่าให้พยายามเริ่มทําในชาตินี้ให้สําเร็จอย่ารอชาติต่อไปหรือคิดสร้างบารมีต่อไปเป็นเพราะว่าชาติต่อไปอาจจะเกิดในชาติที่ไม่มีพุทธศาสนาอีกเลยใช่ไหมครับใช่มาพูธศาสนานี้ก็จะอยู่ไม่ไกลถ้าบรรปินตามที่พระเจ้าได้ส่งพยากรณ์ไป แล้วการกลับมันเกิดเปน็นมรนิ์ที่คาว่าอาจจะหลายห้าพันปีไปแล้วก็ได้คุณอธิการครับตอนนี้ผมได้ถูกโกงโดยลูกหนี้ได้ปลอมสลิปโอนเงินมาหลอกหกครั้งคือการหลอกให้เสียทรัพย์และปลอมแปลงสลิปผมควรปล่อยทิ้งไว้เฉยๆหรือจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ดีครับผมไม่ได้โกรธครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการเอามันคืนหรือเปล่า ต้องการอย่างเกินเราก็อาจะต้องทําตามกระบวนการของของกฎบมายเขาต้องไปแช่งความอะไรแถ้าเราไม่ต้องการคิดว่ามันเป็นเรื่องอนิจาตนเรื่องเนเรื่องของความความไม่เที่ยงของคํามทราบสิ่งดีได้กบหมดได้ถ้าเราไม่ทุกแล้วก็ทำป้ายมันผ่านก็ได้ก็ดีแลไม่ต้องไปุ่นว่า เขาตอบคอมเมนต์ต่อมาว่าถ้าปล่อยไว้กลัวจะมีหลายอื่นๆ อ, อ, อีกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็อันนี้ก็มันก็มีอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะไปเราไปเลยไม่คนโกงมันก็มีมาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มีเฉพาะคนนี้คนเดียวคนพวกนี้ถ้ายังไม่ถูกจับมันไม่หยุดหรอกอ่าเราคิดว่าเราพร้อมที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ไปเราก็ไปแร้งความเสีย แต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากเสียเวลาเอาใจเรามาปฏิบัติทําให้กัคบความสงบจะดีกว่าอันนี้เราก็ไม่ต้องไปไม่ได้มันเป็นสิทธิของเราที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะทําหรือไม่ทําคุณไอวอรี่ครับถ้าเรานับถือศาสนาพุทธแต่ได้ร่วมทําบุญให้กับศาสนาอื่นด้วยอย่างนี้ทําได้ไหมครับได้ก็ได้ทําบุญเหมือนกันเช่นเราไปสร้าง บสถ์ให้เขาศาสนาอื่นก็เป็นการสร้างบสถมันก็สร้างบสถให้ศาสนาผู้นั้นก็ยังเป็นการทําทําทานทำได้บริจาคเพียงแต่ว่าเราไปสนับสนุนศาสนาอื่นท่านเองให้เจริญรุ่งเรืองแล้วเราละละเลยไม่มาคอยอยูแลศาสนาเราดเราก็ทําให้ศาสนาของเราเสื่อมลงได้เนี่ยเราก็ต้องคิ ด, ดถึงผลผลเดียวผลประโยชน์ที่จะตามมา แต่การทำบุญการสิ้สลาเงินทองของเรานี้เรนได้ไม่ว่าเราจะทํารือใครแตผลที่นีเกิดจากการทำบุญของเรานี่มันอาจจะมีผลดีและผลเสียก็ต้องชิ่นยู่ว่าคนเนี่ยคนจะทําหรือไม่คนคเรเนะครับคุณวีรพงศ์ครับขอถามปาอาจารย์ครับการบริจาคทานถ้าเราบริจาคเงินหนึ่งร้อยบาทแต่เพื่อนเราเขาบริจาคหนึ่งพันบาทบุญที่ทั้งสองคนจะได้รับแตกต่างกันหรือเปล่าครับ มันอยู่ที่ความรู้สึกไงความรู้สึกว่าเราได้เสียไปมากน้นอยเท่าไรซึ่งมันขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่เรามีอยู่ถ้าเรามีมีอยู่แสนหนึ่งนี่เราบริจาคไปไปร้อยหนึ่งนี่เราก็ไม่รู้สึกมากใช่ไหมเท่ากับถ้าเราบริจาคพันหนึง่งแต่ถ้าคนที่เขามีแค่หมื่นหนึ่งนี่เขาบริจาคไปพันหนึ่งนี่เขาจะรู้สึกว่าเขาเสียมากกว่าคนที่มีเงินแสนบริจาค ยังเวลาที่เรารู้สึกว่าเขาเสียมากความสุขก็จะได้มากจากการเสียสละของเขายังเราดูตัวตัวแลขของเงินไม่ได้เราต้องดูสัดส่วนของทรัพย์สินที่เราเสียไปว่าเราเสียไปกี่เปอร์เซ็นต์เช่น <S 2> <S 2> <S คนสองคนไวจารเงินเท่ากันแต่มีทรัพย์สินไม่เท่ากันไวจากเช่นไวจารหมื่นหนึ่งคนที่มีแสนก็ บริจาคหมื่นนึงก็เท่ากับบริจาคไปน้อยละสิบนะคนที่มีร้านนึงบริจาคหมื่นนึงก็บริจาคไปแค่น้อยละหนึ่งนี้เป็นความรู้สึกของคนที่บริจาคและคนที่มีร้านนึงบริจาครานะหนึ่งนี่เป็นความรู้สึกว่าเสียไปเสียไปเสียไปไม่มากคนคนที่ที่ได้รจากความสุนใจก็จะได้น้อยกว่าคนที่บริจาคอ่าน้อยละสิบก็คือบริจาคไปเงินเท่ากันแต่เขาบริจาคสัดส่วนมากกว่า คุณชัยาภาครับเวลาทําบุญแล้วอุทิศจําเป็นต้องกรวดน้ําลงดินไหมครับไม่ต้องเลยการอุทิศ ท, ท, ที่ที่ถูกต้องนั่นอุทิศที่ใจของเราเพราะบุญอยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่น้ําพีำแต่ว่าเขาเอาน้ํามาเป็นตัวอย่างของบุญเพราะบางทีคนเราไม่เข้าใจว่าน้ําบุญมันเป็นยังไงเขาเลยเอาเอาน้ํานี่มาเป็นตัวอย่างแล้วก็ถ่ายจากควาชนะหนึ่งไปสู่ความชนะหนึ่งก็คือส่งจากใจของเราไปสู่ใจของเขา ผู้ที่ลงรับไปแล้วเขาเลยใช้น้ําเป็นเป็นตัวอย่างเหมือนบางเรื่องนึงสอนเด็กเด็กจะไม่เข้าใจถ้าเราไม่วาดภาพเลยก็เห็นเพราวาดภาพใ้เลยมันเป็นอย่างนี้เป็นนี้เราก็าเห็นภาพก็จะเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันการการใช้น้ําอุทีศนี้ก็หมายถึงบุญเลยน้ำนี้เป็นบุญที่อยู่ในใจเราอยู่ในภาชนะหนึ่งในเวลาเราอุทิศเราก็เพลทน้ำนี้ไปใส่อีอีกภาชนะหนึ่ง อันนี้ก็ส่งแบ่งถ่ายบุญจากใจของเราไปสู่อีกใจหนึ่งในดวงวิญญาที่ลงรับไปแล้วแต่ความเป็นจริงไม่ต้องใช้น้ําเพียงแต่ละลึกในใจว่าขอนะขอทิ่ส่วนบุญที่ได้กระทําในวันนี้ให้กับท่า น, ท, านท่านนี้ไปถ้ารอรับอยู่ก็ขอให้รอรับรอรับไปได้ทําก็รับไป คุณหญิงครับเคยได้ยินพระท่านกล่าวคําว่าภาวะนิพพานคืออะไรครับภาวะของนิพพานเนี่ยภาวะก็สภาวะสภาวะของจิตเนี่ยภาวนิพพานก็คือจิตก็นิพพานเานี่ยเพาว่านิพนนี้เป็นเป็นการเป็นการเหมือนกับคำท่านจะใช้เรื่อชื่อเฉยๆก็เรียกว่าคุณตามไว้ข้างหน้าคุณนิพพาน แต่นี่เรียวนผ่านก็กใส่ภาวะเข้าไปเพราะนิบานนี่ก็หมาเความว่านผ่านนั่นแหละคุณวิไลครับถ้าหากว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเราเล่นไพ่กันตาละสิบบาทแบบนี้ผิดศีลห้าไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราเล่นแบบแบบเอาปเป็เอาตายอะไรเล่นพอเป็นกีฬาพอข่อค่าเวลาไปแล้วนะ เงินที่เราเสียไปก็ไม่ใช่เป็นบ <t ry> ้าว sure. ่าอย่างทําให้เราปวดเนื้อหมดตัวนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการพนันเป็นการเล่นเป็นการเล่นเล่นเลกีฬาหรืออะไรปาดกีฬาบาดกีฬาาดการพนันนี่ก็หมายถึงพวกที่เล่นแบบเอาทุ่มเทเอาเป็นเราตายกันเป็นเหมือนอาชีพหาอะไรได้จากการเล่นการพนันอย่างนี้ไม่โกนเล่นนั้นควรทาเป็นอาชีพ คุณว่าเศษครับหนูแอบชอบครูคนหนึ่งจนหนูกลัวว่าเพราะการที่หนูไปแอบชอบเขาจะส่งผลกระทบต่อการเรียนเพราะหนูเคยเจอประสบการณ์ที่ว่าการเรียนของหนูจะแย่ลงทุกครั้งท่านหนูไปแอบชอบใครเข้าซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกับหนูจริงๆเพราะว่าหนูเคยร้องไห้เพราะคนที่หน้าเหมือนคนที่หนูแอบชอบอยู่พูดกําลังขึ้นเสียงกับคนอีกคนหนึ่งค่ะหนูควรจะวางใจยังไงดีครับก็อย่าเพิ่งไปชอบใครตอนนี้เราเป็นนักเรียนพยายามให้ ให้ความสำคัญต่อกา ร, าราเรียนอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องรักเรื่องอะไรกับใครเพราะมันจะทําทให้เราเสียสติขาดสติในการลริ่มเรียหนังสือใจเราจะเเพ้วโมโวักโวยกับถึงคนที่เรารักเราชอบนล้วนราพยายามตัดใจไปอย่าเพิ่งไปสนใจใครอันนี้ให้ชุ่มเทเวลาของเราให้กับการเรียนจกกนกว่าเราจะจบก่อนเมื่อเราจบแล้วจะนึกเรื่องเรื่องรักเรื่องอะไรกค่อยว่ากันต่อไปเลยยไม่ถึงเวลา เราต้องรู้จักการรับเทศเลสตะต้องรู้จักหน้าที่ของเราตอนนี้เราเรามีหน้าที่อะไรเราเป็นนักเรียนก็มีหน้าที่เรียนก็เรียนไปก่อนยังไม่ใช่มีหน้าที่รักหน้าที่รักนี่รอให้เราเรียนจบก่อนมีงานทําแล้วเราพึ่งตนไองได้นะทีนี้จะเราจะไปรักใครอันนี้ก็สามารถทําได้ต่อไปคุณเบรรี่ครับ กับพระอาจารย์ครับคำกล่าวที่ว่าเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกทุกสิ่งถูกกาหนดไว้อยู่แล้วเป็นเรื่องจริงหรือคะแม้จะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แพลนไว้ก่อนแบบนี้มันเรียกบังเอิญหรือคะคือในทางศาสนาพูดนี้เราพูดถึงเหตุถึงปัจจัยเหตุคือคือการกระทัำของเราการกำลังของเราทำแล้วมันก็ทําให้เราให้เราไปพบกับคนนั้นคนนีสนน้สิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นหมอวันนี้ก็มีเหตุที่จะมามาที่ตรงนี้ เราก็มีเหตุที่จะมาที่ตรงนี้ก็เลยมาเจอกันอะที่เราไม่เรียกว่าบาังเอิญก็เพราะว่าเราได้นัด ก, กันไว้ล่วงหน้าก่อนอต่ถ้าเราไม่ถึงแม้ถ้าเรานัดกันล่วงหน้าอยู่แต่ถ้าเราไม่มาถ้าเราไม่มีการกระทํำมันก็จะไม่ได้เจอกันอยู ć, ่ดีการที่เรามาเจอกันตรงนี้ก็เพราะมีการกระทําของเราของแต่ละคนคุณหมอก็มีคุณหมอ ก, ก็มาเข้าที่ตรงนี้เราก็มาเข้าที่ตรงนี้ก็เลยมาเจอกันที่ตรงนี้ มันมีเหตุที่พาให้เรามากันคือการกระทําของเราบางทีมาโดยที่ม่นัดหมายกันก็มีแต่มันก็ยังเป็นเหตุที่พาให้เราทํามาที่ตรงนี้อยู่นี้เรามันถึงไม่ว่าโดยหลักแล้วทุกอย่างมันเกิดจากเหตุส่วนการน้นางเหลนี้เป็นการเรืองเป็นการเป็นการอบรรจารณ์ด้วยับ เป็นการพูดพูดว่ามันเป็นพอดีเราไม่ได้นันกันเมื่อเรามาเจอกันที่นนนนเรานี้ก็เรื่องนี้ว่ามันการบังเอิญไปแต่ไม่การบังเอิไม่ได้เป็นตัวเหตุตัวเหตุก็คือการกระทําของเราเข้าใจเลครั บ, ญญารบอญญาจารย์ เหมือนกับอาจจะเหมือนกับว่ามีเหตุแต่ว่าเรานึกถึงเหตุหรือคิดถึงเหตุนั้นไม่ถึงมันก็เลยเหมือนบังเอิญอะไรอย่างนั้นใช่ไหคุณหมอมีเหตุจะไปกินอาหารที่ร้านนี้นายคนหนึ่งเขาก็เชื่อว่าเขาจะไปกินอาหารที่ร้านนั้นโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันแล้วก็ไปเจอกันอันนี้ก็เป็นบังเอิญแต่การบังเอิญนี้ไม่ได้เป็นเหตุเห็นก็คือคุณหมอต้องการจะไปกินอาหารที่ร้านนั้นแล้วเพื่อนของคุณหมอก็อยากจะไปกินอาหารที่ร้านนั้นด้วยก็เลยไปเจอกันที่นั่นโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน เ ร, เ, ร เ, รเราเราก็เรีกว่าเป็นการของเลยเนการร้อมในวันนี้ไม่ได้มาเขามันไม่ได้เป็นตัวเหตุที่ทําให้เราไปเจอกันากนรารกระทําของเราความคิดของเราความคิดที่เราอยากจะกินอาหารที่ร้านนี้มันอันนี้แบบเป็นตัวเป็นตัวเหตุก็กลับมาที่จิตนะจิตจะเป็นตัวเหตุต้องคิดก่อนที่เราจะพูดจะทำเลยได้คุณจตุรลนครับกล่าวขอความเมตตาจากหลวงปู่ครับ ลูกของผมอยู่ในท้อง8เดือนต้องถาคลอดเพราะคันเป็นพิษน้องอยู่ในตู้อกประมาณ11วันและอาการดีขึ้นจนได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่มาเสียชีวิตเพราะสำลักนมอยู่ในตู้อกครับอยากถามนลองปู่ว่าเป็นกรรมอะไรของน้องครับและน้องคงจะทำกรรมร่วมกันมากับพ่อแม่ใช่ไหมครับขอคติทําจากหลวงปู่หน่อยครับคือการตายนี้มันไม่ได้มีแตเฉพาะกรรมอย่าง กอาจจะมีส่วนก็ได้และอาจจะไม่มีส่วนก็ได้อาจจะเป็นเรื่องภาวะของร่างกายของเขาที่ไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้หรืออะไรมันมีหลายสาเหตุด้วยกันเพราะฉะนั้นมันยากสำหรับเราที่เป็นคนผู้ชมที่จะไปไปวิเคราะห์ด้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอัไหดกันแน่ล้วก็รับสภาพความเป็นจริงข้พ อ, อว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นธรรมดาของชีวิต เลื่อางขายก็ตายเมื่อเกิดมาแล้วก็จะจะพบกับความตายไม่ช้ากันแลยอันนี้ก็พออย่าไปเพื่อจะเสียเวลาลคุณตรงฤทธิ์ครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่พระอาจารย์อธิบายเรื่องนรกสวรรค์ผมสงสัยว่าถ้าเราตายไปแล้วจะมีโอกาสเจอญาติหรือคนที่รู้จักที่ตายไปก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ครับ ต้างไปเกิดเป็นมนุษย์ก uh, ่อนถึงจะเจอได้ถ้าถ้ามีโอกาสจะเจอก็เจอได้นะเราก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เราอาจจะบอกบางเอ่ยมาเจอกันก็ได้แต่ความจีิมันก็เป็นเป็นวาระของเราที่เราจะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นวาละของเขาที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ในตอนเดียวกันก็อาจจะไปเจอกันก็ได้อาจจะไม่เจอกันก็ได้มันไม่มันมันมีมันมีเหตุมีปัจจัยอะไรอย่างที่มันไม่สามารถที่จะมา ค, คุณกานิกาครับช่วงเวลาที่เดินทางไปทำงานภาวนาพุทโธเดินภาวนาไปด้วยจะได้อนิสงไหมครับก็เดิได้สติงให้สติใจเราจะได้เม่อยลอยใจเราจะได้นิ่งใจเราจะได้สงบ คุณเอกชัยครับการเบนสอบถามครับสมมุติว่าหากวันหนึ่งหมอบอกว่าเราป่วยเป็นมะเร็งต้องออกจากงานประจําและครอบครัวต้องการพาเราไปรักษาให้หายแต่เราปฏิเสธการรักษาเพราะคิดว่ารักษายังไงก็ไม่หายและต้องตายอยู่ดีเลยอยากให้ร่างกายตายไปตามธรรมชาติของมันแบบนี้จะถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายไหมและจะเป็นบาป ก, กรรมไหมครับไม่บาปครับไม่เป็นการฆ่าตัวตายในการยุติการรักษาเท่านี้ คุณมาลีครับยุคนี้เวลาคนไปทําบุญไหว้พระแ ต, ต่ละวัดก็จะขอโน่นขอนี่เวลาไปไหว้ควรที่จะขอหรือไม่หากว่าไม่แล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคะก็เอาความการกระทําที่ดีของเราเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาเราทำบุญแล้วจิตใจเราจะมีความสุขมีความสุขมีความเย็นมีความสบายอันนั้นแหละคือผลจากการที่เราได้ทําทบุญ เราไม่ต้องขออะไรทั้งนั้นเพขอไม่ได้ไม่ต้องทําถ้าเราอยากจะมีเครื่องยืดหยุ่ น, นจิตใจนี่แก็ทำบุญทาความดีไว้นอกจะทําให้จิตใจเราสงบจิตใจเราเย็นที่จะทาให้จิตใจเราไม่วุ่นวายเวลาที่เราประสบกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ได้นี่แหละคือสิที่ยืดหยุ่ น, นจิตใจของพวกเราก็คือการทำบุญซึ่งมีหลายระดับในการทําทานนี่ก็ระดับ รักษาสีเงียอีกระดับเลยการปฏิบัติธรรมก็อีกระดับเลยให้เราเอาการทำบุญเนี่เป็นเป็นเครื่องยืดยุ่นจิตใจแล้จิตใจของเราจะไม่วุ่นวายจิตใจเราสงบจิตใจเราจะไม่ร้อนไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆคุณ Next g e เจครับไลฟ์โค้ชที่สอนให้คิดแต่เรื่องดีทำให้มีแรงดึงดูดสิ่งดีเข้ามาแต่เบื้องหลังโค้ชมีจุดหมายอื่น เรายังเชื่อโค้ชได้ไหมคะเนื้อหาที่สอนเป็นเรื่องจริงหรือแค่หลอกกันพอคิดเองว่ายังมีความโลภอยู่ครับก็เราก็า จ, จะแยกแยะก็ได้ว่าคนสอนก็เป็นเรื่องของการพฤติกรรมของคนสอนก็เป็นเรื่องของเขาไปถูนคําสอนเราถ้าเป็นคําสอนที่ดีเรามาใช้เกิดประโยชน์แล้วก็มาใช้ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็ต้องระวังนั่ น, นเองอย่าไปให้เขามาหลอกเรได้ คุณพลอยครับหลวงพ่อค้าทำสมาธิแล้วรู้สึกว่าขนลุกเกิดจากอะไรเจ้าค้าขอความเมตตาครับถ้านั่งสมาธิไปพอจิตนั่งสงบมันก็อาจจะเกิดอาการนี้ขึออ้นมาได้คือเขาเรียกว่าปิติขนลุก ค, คุณอัดฐภากรครับการปฏิบัติเพื่อสู้กับความกลัวนั้นต้องใช้สติและปัญญาแบบไหน ความกลัวนั้นถึงจะหายจากใจได้แบบไม่กลับมาอีกเพราะปัจจุบันถ้าสติอ่อนลงเพราะขาดความเพียรแบบต่อเนื่องก็เหมือนความกลัวนั้นมันจะโตขึ้นมาอีกก็ต้องเพิ่มความเพียรเพื่อประคองไว้ไม่ให้มันตัวโตวต้องเจริญสติระดับไหนหรือเจริญปัญญาอย่างไรจึงจะดับได้ถาวรครับก็ขึ้นอยู่แล้วว่าเรากลัวอะไรถ้าเรากลัวกวกลัวความตายเนี่ยถ้าเราอยากจะให้หายความกลัวตาย ความกลัวตายหายไปเราก็ต้องยอมตายเราก็ต้องเราก็ต้องยอมผ่านจริงว่าชีวิตเรานี้ในที่สุดก็ต้องตายอย่างนี้ไม่ชา้าก็เร็วถ้าเราไม่อยากจะกลัวความตายเราก็ยอมตายยอมรับความเป็นจริงเรายอมรับความเป็นจริงได้ความกลัวตายก็จะหายไปจะไม่กลับมาหาเราอีกถ้าเรากลัวจะสูญเสียคนที่เรารักไปก็เช่นเดียวกันแล้วก็เล่าว่าวันหนึ่งคนที่เรารักนี้เขาไม่ต้อง เขาก็จะต้องจากเราไปหรือท้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเราอยอมรับความจริงอันนี้ได้เราก็จะหายกลัวงั้นเราต้องมองความจริงแล้วรับความจริงให้ได้ถ้าเรารับความจริงได้แล้วเราก็จะไม่กลัวคุณทีหน้าครับให้ญาติและเพื่อนยืมเงินตอนให้ยืมเราให้ด้วยเมตตาแต่พอเขาไม่คืนเราทําใจว่าทําทานไปแล้ว แต่ทําไมจิตไม่ยอมลืมจะคอยวนเวียนคิดถึงเงินนั้นเสมอทําอย่างไรจะตัดออกไปจากภาวะนี้ได้เจ้าคะเพราะเราไม่มีสติไงบางทีพอเราไม่มีสติความที่เรายังมีความผูกพันยอมเงินดอมอันนั้นอยู่ก็เลยทำให้เรานึกถึงเงินวิธีทําให้เราลืมก็วเวลาที่มันนึกถึงเงินเราก็ใช้การบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปจนกวา ม, มันจะหยุดคิดหยุดมันจะแบบมันจะเล่น ถ้ามันคิดเมื่อไหร่เราก็พุโทโธพุโทโธไปค่อยห้า ม, มไม่ให้มันคิดเราไปมันก็ลืมเองคุณเที่ยวไปเรื่อยครับลูกศิษย์พระอาจารย์ที่เข้ามาฟังธรรมพระอาจารย์และมาช่วยงานเผยแผ่ธรรมะพระอาจารย์ถือว่าชาติก่อนเคยเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์กันแต่ชาติปางก่อนใช่ไหมครับจึงมาลงสนใจธรร ม, มะกับพระอาจารย์ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่เคยไม่เคยคิดนี่อง ทีดว่าเขาอาจะชอบทำวมาชอบช่องงาที่เขาทาเราก็มีมีเห็นว่ามันช่องโอกาสที่เขาจะได้มาครับเขาก็มาแบบนี้แต่คนที่มานี่ยเราไม่เคยเรียกเราผ่านเข้ามากันโดยโดยอาสาสมัครของเขาแล้วบางทีเขาไม่ได้มาขออนุญาตเลยเขาก็มาทําของเขาไปเลยคนที่มาทําทุกคนนี่ไม่ไม่เคยมาขออนุญาตกกับว่าขอขอมาช่วยทำนู่นทำนี่เขาก็มาของเขาแล้วเขาทําเขาไปเราม็ตามฝ่ายน่ะ บางคชอบชอบเป็นอาสาสมัครนะฮะยิามยิ้มของเขาก็มี ง, งานทนอะไรที่ดีเป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วเขาทาแล้วเขาเป็นความสุขเขาก็มาทำเหการการที่เราไปดูภาพยนตร์ตามตามโงาามารงต่างๆเรเห็นภาพยนต์ที่เราชอบเราก็ไปอยู่ไประชมกันนั่นี้งมัเป็นเรื่องของมันําไม่อันจะเกิดมาจากปากก่อนมันอยู่ที่เกิดจากชั้นทะความพอใจความเย็นเย ซึ่อาจจะเป็นนิสัยเดิมมาก่อนอนี้อาจจะเป็นไปได้ชาติก่อนอาจะมีนิสยัสยแบบนี้ติดตัดดวมาชอบเป็นอาสาสมัคร ช, ช, ช, ชอบช่วยสังคมช่วยชอบช่วยคนนั้นคนนี้พอมีโอกาสก็จะทําต่อคุณวิไลครับวันนี้อยู่บ้านได้ปฏิบัติศีลแปดทำตามคําสั่งสอนพระอาจารย์ได้นั่งสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะและได้ฟังพระอาจารย์ไลฟ์สดอย่างนี้ ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกต้องหรือยังครับถูกต้องแล้วพยายามทำให้มากๆทำบ่อยๆคุณมาริษาครับการกินจุกจิกกินเยอะกินมากผิดศีลไหมเจ้าคะก็คืออยู่ถือศีลก้อหนถ้าถือศีลห้าท่านก็นไม่ห้ามกินให้พอกินให้ทั้งวันทั้งคืนถ้าถือศีลแปดก็ห้ามไม่กินหลังจากเที่วันไปแล้ว ถ้าถือทุนดวงก็ว่าฉันนมือเดียวก็เป็นได้กับทั้นเดียวอันนี้ก็อยู่ที่สินที่เราถือว่าเราถือสินแบบข้อไห น, นระดับไหนคุณภาวินีครับกลับเรียนถามค่ะเราจะกําหนดลมหายใจอย่างไรถึงจะไม่อึดอัดคะถ้าเรายังอึดอัดอยู่แสดงว่าเรายังใช้ลมไม่ได้จิตเรายังไม่ไม่นิ่งพอเราก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนเนื้อ การบริการพื้นท้องไปก่อนคุณจินตนาครับหนูไส่บาตเกือบทุกวันพระหนึ่งองค์อุทิศบุญให้แม่ที่ตายไปแล้วและอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติของหนูเขาจะได้รับบุญเท่ากันไหมเจ้าคะก็ <c oughs> เรามีมีมีเท่าไหร่เขาก็จะแบ่งกันนะแล้วอยู่ที่ว่าเขามารอรับฟ้อมมันหรือเปล่าไม่รู้บางคนอาจจะไปเป็นเทว ด, ดาเขาก็ไมาเริ่มป่ย มางคนเขาไปเกิดเป็นมนุษบ์แล้วเขาก็ไม่ต้องมาละบเพราะที่ยะมาละ บ, บุญนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกขอทานทางจิตวิญญาซึ่งมีชื่อว่าเปรตเป็นพวกขอทานมพวกนี้เรา จ, จะเป็นผู้ที่มาลองรับสมบูรณ์แต่ไม่ธรรมความว่าคนที่ตายไปแล้วทุกคนจะมาเป็นเปรตบางคนตายแล้วก็ไปเป็นเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก็มีเยอะแยะไปเขาก็ไม่ต้องมาลองรับสมบูรณ เราพวกทําบาปหนักฆ่าตัวตายนี้ก็ไปตอกน้ำลเขาก็ออกมารับบุญไม่ได um ้ม so ีพวกเดียว่นพวกที่เป็นเปรตทังยามรับนะพวกนี้เป็นพวกที่ระดาในชีวิตอยู่ไม่ทําบุญชอบทําบาปชอบอทนที่จาทําบุญกลับไปขโมยเงินของคนอื่นอย่างนี้ยพวกนี้จะไปจะไปเปรตเปรตทั้งยคุณไพบูรณ์ครับ การให้ทานกับคนพิการอาหารปัจจัยแม้ไม่มากแต่เป็นประจําอานิสงค์คืออะไรครับก็ทําให้เราจิตใจเราสูงขึนนกก้นเป็นเทวดาขึ้นมาเป็นผู้ให้ทํามากทำน้อยก็อยู่ที่ว่าเป็นขั้นไหนให้มากก็เป็นเทวดาขั้นสูงขึ้นไปิดตาคุณเล็กครับ การประคับแพระอาจานค่ะหนูทํางานประจําและไม่ลูกที่ยังต้องดูแลแต่มีความคิดถึงความตายเสมอจึงอยากลาออกเพื่อมีเวลาปฏิบัติให้มากขึ้นแต่บางทีก็คิดว่าทํางานไปอีกสักพักแต่พอนึกถึงความตายก็กลัวจะไม่ได้ปฏิบัติทําตัดสินใจไม่ได้ยังไม่เข้มแข็งตอนนี้ถ้าลาออกพอมีรายได้ทางอื่นค่ะก็พยายามปฏิบัติทําให้มากขึ้นให้เจ็บนี้มีความเข้มแขังพอที่จะตัดสินใจออกปฏิบัติได้ ถ้ายังไม่มีกําลังพอก็ยังไปไม่ได้ยืนตัง้งซ้อมการปฏิบัติให้มากขึ้นในเรื่อยๆกเท่าที่เราจะทําได้คุณอำพรครับเวลาอยู่วัดนั่งสมาธิอยู่ก็นึกว่าจะไม่โกรธใครแล้วแต่พอมาเจอของจริงแล้วไม่ใช่เลยพอใครทำผิดแล้วโมโหมากเลยครับความเชื่ของเรากับความจริงมันต่างกันะเราก็ต้องดูความจริง เมื่อเราโกรธยังโกรธอยู่ว่าแสดงว่าทำเรายังไม่มากพอสติเรายังไม่มากพอความเมตตาเรายังมีไม่มากพอเราก็ต้องพยงายามเสริมเสริมสติให้มากขึ้นเสริมความเมตตาให้มากขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะไม่โกรธได้คุณปฏิพัฒนครับในชีวิตประจาําวันเวลาพยายามควบคุมจิตให้สงบบ่อยครั้งที่ทําให้เกรงจนปวดหัวหรือควรปล่อยจิตไปใจ ปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติจะดีกว่าครับคือจะปล่อยเลยก็ไม่ถือจะทำํำจะทําเข่งจนไปก็ไม่เกิดไม่ไม่ถือต้องเอาแบบครึ่งครึ่งแบบทางสายกาลางเราจะเกร็มากเกินไปมันมันก็เลยทําให้กิดอาการเกร็งขึ้นมาเราก็ต้องผ่อนการการควบคุมใจให้มันให้มั น, มนเบาหน่อยให้มันพอกับครับ กําลังของเราเอันนี้นรอยู่ที่การฝึกของเราถ้าเราฝึกมากไปไมันอาจจะทําให้เราเหนื่อยมากเคยกําลังของเราแล้วต้องฝึกใหยน้อยล้ลดระดับลงมาคุณเจฮียงครับดิฉันเป็นคนพิการนะคะวันนี้เจอแต่เรื่องลบในสมองเหนื่อยมากเกือบหลุดหลายครั้งทําอย่างไรให้พลังบวกกลับคืนมาให้ไวครับ ก็พักจิตไยสงบหยุดความคิดพยายามจะแลพุทโธพุทโธให้จิตสงบแล้วพลังบวกก็จะกลับขึ้นมาคุณภูมิพักครับบางวันผมนั่งสมาธิเป็นสักพักแล้วตัวสั่นไปทั้งตัวแต่ผมคิดเสมอเวลานั่งสมาธิเจอเวทนากว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราในขณะนั่งภาวนาคุณจะแก้ไขาการปฏิบัติอย่างไรครับ การนั่งสมาธิแล้วตัวสัตว์นี่กอาจจะเกิดจากการนั่งแบบไม่มีสติถ้าไม่มีสติควบคุมแล้วก็จะมีการอาการแปลกๆต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีสติแล้วจะไม่มีอาการอะไรประกอบขึ้นใจเราจะนิ่งเฉยเนยพยานั่งสมาธ evet. ิานานต้องนั่งแบบมีสติต้องใช้อุทโธพุทโธกลักับหรือต้องมีการคล้องลมหายใจทุกขกเข้าทุกข์ออก ถ้ามีสติอย่างนี้แล้วจะไม่มีอาการแตกต่งของนิกขึ้นคุณไอวอรี่ครับถ้าทำบุญให้สัตว์เลีย้ยงเช่นสุนนะัขเขาจะมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไหมครับเมื่อเขาหมดกรรมของเขาเขาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ับอาจารย์ตอนนี้ตอบคำถามน็กหมดเลยครับอนาจารย์ครบแล้วครับโอเคเหลือห้านาที ก็เป็นเวลากแล็แรกแรกกันตอนนี้ก็ได้ถ้าไม่มีอะไรน้อถามนะนอกจากคุณหมออยากจะถามอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> ก็ผมยังไม่มีคําถามเพิ่มเติมเลยครับอาจารย์เดเพื่อนๆมีอะไรถามเข้ามาได้นะครับยังเหลืออีกสามนาทีนะครับเผื่อถ้ามีใครอยากถา ม, อ, อ, ม, ม อ, อ๋อมนะีไหมไปอย่างนั้นโอเคอยากจะแนะนํำให้ท่านผู้ชมผู้ฟังไป ศึกษาโมกุลสูตกันนะสามสิบปดข้อไม่ทาบว่ารู้กันบ้างหรือเปล่าเป็นชาวมุทันแท้ๆรู้ว่าผู้เช้าสอนโมกุลสามสิบแปดข้อนี่มีอะไรมากแล้วตรวจตาหรือว่าเราได้ปฏิบัติข้อไหนได้มากอย่างนิ่งปฏิบว่า มีจากคุณภับูรณ์ครับบอกว่าเคยขับรถชนสุนัขตายโดยเหตุสุดวิสัยไม่ตั้งใจเขาข้ามถนนถ้าเขาถอยก็จะโดนรถอีกคันชนจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกถือว่าเป็นอุบัตเทตุเป็นเหตุสุดวิสัยถ้าไม่มีเจตนาแล้วไม่บาปแต่ถ้ามีเจตนามีความตั้งใจที่ทำให้เขาตายนี่เรียกวาบาปนะไม่าดาวรถนะลงกรณ์เสืห น, น้าย เห็นชาวว่ามงคอระสุดเข้าไปในมือถือก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะโปล่ขึ้นมาแล้วก็ดาวหมดเข้ามาในเครื่องเขามาอ่านมาศึกษาดูเราดูเราตรวจ ด, ดูว่า3า8ข้อนี้เราทำข้อไหนได้บ้างอันนี้แหละมงคลนที่แท้จริงอยู่ที่มงคอนระสุดจาก18ข้อเลยครับ18ประการ ข้อหลังๆนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตเลยใช่ไหมครับอาจารย์ข้อหลังๆนี้ดูเกี่ยวกับว่าขั้นนปฏิบัติทำมาชนเรื่อยๆทำเรื่อยๆครับอาจารย์มาไล่จากขั้นขั้นขั้นต่ำไปสุดขั้นสูงครับอาจารย์ครับคําถามสุดท้ายครับคุณอริยะบุญครับ เมื่อวิปัสสนาแล้วไปสู่ช่วงที่ลมหายใจปราณีตกายเบาเกิดแสงสว่างมากรู้สึกว่ากายไม่ใช่เราแล้วต้องไปจารนาต่อไปอย่างไรครับไม่ทราบหมายควาว่าเปไม่ปัสสนาแล้วไม่ทําวิปัสสนาที่ไหนในส่ช่วงที่ลมหายใจปราณีตกายเบาถ้าถ้าถ้าถ้าลมหายใจปราณีตกายเบากิดแสงสว่างมากรู้สึกว่ากายไม่ใช่เรา จะรู้ไม่รู้สึกได้ก็ไม่ใช่เรานอกากอันนี้ก็ไม่สร้างกันต้องทํำยังไงต้องพิจารณาไงถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราก็องพยายามปล่อยว่าปล่อยแล้วอันตรายให้ได้แล้วไปถ้ามันไม่ใช่เราเราก็อย่าไปกังวลกับมันมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ต้องไม่เดือดร้อนถึงจะเรียกว่าเป็นการวิปัสสนาที่แท้จริงเมื่อเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่เราเราต้องไม่ทุกข์กับร่างกาย ถ้ายังทุกอยู่ก็แสดะว่าเรายังเห็นว่ามันเป็นเราอยู่ต้องพิสูจน์จริงๆว่าเรายังทุกกกับร่างกายเลยมั้ยถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เฉยร่างกายจะตายแล้วก็เฉยจนไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะรักษาไม่ได้นะถ้าเราเฉยๆว่เเาเ ร, ารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เราถ้าเราไม่ทุกข์กษณสว่าเราเราก็สําเร็จมันก็บรรลุทาได้ ถ้ายังทุกข์อยู่กันแสดว่าเรายังไม่บรรลุธรรมมัต้องทำต่อกรับวันนี้มีคนมาฟังธรรมด้วยกันใน f a c e b o o หก4้อยสี่สิบเก้าครับในยู u t u b ้า7้อยเจ็ดสิบห้าคนในขรับเฮาสิบสองคนวันนี้มี เ, เพื่อนฟังธรรมด้วยกันพันสองร้อยสามสิบหกคนครับอาจารย์ครับเรืองขอความแสดงความยินดีกับทุกการที่ให้ความสนใจต่อธรรมเราต้องแทงทำชนะเราต้องกลั ขอท่านตรงนัองสิ่งที่ท่านได้ยินได้ปับไปพิพพิจพิจารณาและ ป, ปฏิบัติเพื่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายงยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็พอสมควรากเวลาก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอว่าไม่เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขาด้อบอันใดก็คงจะได้พบกันอีกครั้งในวันอทิานาเช่นเคยขอเจริญพ กับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ